อาจารย์ครับการอำมาตย์สการ์ครับเจาริ์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยสิบแปดแล้วนะครับอาจารย์ครับว่ <c ười> าเ ช, ชา้าพระอาจารย์วินทบาทคนเยอะไหมครับผมก <c ười> ็เท่าเดิมประมาณสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้ยห้าสิบคนครับผมแล้วฝนตกไหมครับอาจารย์ครับไม่ได้ตกเลยครับนน <c ười> <Okay. S 2> ผม และตอนบ่ายคนไปฟังทำอะเยอะไม่ขับมาการยครับประมาณสองร้อยสิบกว่าคนสอครับ <27. S 1> ยสิบเจ็ดแลที่<อ>ทบ้านก็แร้อยเจ็ดสิบเจ็ดรวมกันที่บ้านด้วยครับแดร้อยเจ็ดสิบเจ็คนครับตอนนี้ก็รับชมกันอยู่ประมาณเก้าร้อยคนครับอาจารย์ครับ อ, อาจารย์ครับตอนนี้เรื่องเรื่องใหญ่ของประเทศเลยครับหลายหายคนก็รู้สึก อาการสงครามนี่มันก็ทํามีทั้งแบบกระตุ้นให้ฮึกเหิมอยากจะสู้รบบางแต่ว่ายัางไงก็ตามเราก็ต้องเมตตา ก, กันไว้วันนี้เลยอยากจะขอปัญญาจากอาจารย์ในเรื่องนี้ครับก็จะต้องทําใจของเรายัางไงดีครับรอาจารย์ครับนคนฮึกเหิมอยากจะทำเนี่ยให้คิดถึงผลที่จะทำมาคนจะตายสักเท่าไหร่ตัวเขาเองอาจจะตายด้วยหรือเปล่าอถ้าคิดดีๆแล้วไม่มีใครอยากจะ มีสมงครามแร้วว่ามีแต่มีแต่ความสูญเสียแต่ไม่มีสติปัญญากันใช้อารมณ์ใช้อมอยากจะเอาแพ้เอาชนะกันแต่เราไม่คิดถึงผลที่ตามมาว่าคนนี้จะต้องตายนี่สักกี่คนได้กันแล้วเราได้อะไรกันแล้ว ก, กลับมาอยู่ที่จุดเดิมนะมัน่อ้นี่มัน เป็นเ่งกนมาแล้วกี่ร้อยปีนละ้ว <Yeah. S 1> มันก็แย่งกันไปแย่งกันมาอยู่นั่นแหละเราะฉะนั้น <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่อยากที่จะให้มีความเสียหายมากไปกว่านี้ <Yeah. S 1> เราก็ต้องหาวิธียุติการฆ่าฟันกันเพราะการฆ่าฟันกันไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ความทุกข์เราฆ่าเขาก็สร้างให้ญาติพี่น้องของเราทุกข์กัน ข้อค่าเราก็มาสร้างความทุกข์ให้กับญาติพี่น้องของเราแล้วของที่เราได้มามันก็เป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงหรอกแผ่นดินนี้ทุกอย่างนี่เป็นของดินน้ำลมไฟเป็นอนิจจังเป็นอนัตตามันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของตายไปมีใครเอาไปได้ไมั้เนี่ยไม่มีใครเอาไปได้พระม้าที่มาลบ ที่มาทำลายสีกรุงศรีอุทยานะตายไปแล้วครุงศรีอุทยาไปด้วยได้หรือเปล่าก็ปล่อยทิ้งไว้อยู่ที่เดิมเลยของที่ว่าของตัวอย่างที่มีในโลกนี้มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละไม่มีใครเอาไปได้หรอกอารใช้ความคิดซะบ้างแล้วะเอามาเอามาทําอะไรเมื่อก่อนที่ถ้มันไม่มีเรื่องมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันมาครับ ม, มีเรื่องขึ้นมาโขวงขึ้นมาทันทีเลย ผมกลูองกูขึ้นมาของเราขึ้นมาทันทีเลยอันนี้แบบ่ะมันจะนำไปสู่การข้ามันกันเพราะขาดสติขาดปัญญาไม่ใจตรงไม่คิดให้รอบคอบ ม, มันก็ต้องต้องใช้หลักธรรมที่พระเจ้าสอนะเมตตาธรรมนี่มันก็เป็นวิธีที่จะระงับดับปัญหาต่างๆได้ แต่ป็นก็พูดง่ายแต่ทำยากเพราะคนที่จะใช้เมตตาได้ก็ต้องเป็นคนที่มีเมตตาคนที่ไม่มีเมตตาพูดไปเขาก็ไม่เข้าใจถ้าไม่มีเมตตาโลกเราก็จะเ ป, เป็นเหมือนโลกของสัตว์ในราชาถ้าในราชาเนี่ยเขาก็แข่งแย่งชิงดีกันใครมีกำลังมากกว่าคนนั้นก็แย่งออกไป มันก็แต่นั้นที่สดก็ตายกันไปทั้งหมดนะผู้ชนะผู้แพ้ก็ไม่มีใครเอาไปได้ครับแล้วเราจะฝึกให้เรามีเมตตาได้ไหมครับอาจารย์ในคนที่อยากจะฝึกนะครับอาจารย์ครับก็ต้องศึกษาว่าความเมตตานี้มีอย่างไรลักษณะอย่างไรถึงจะทํำว่าเป็นความเมตตาความหมายของเมตตาก็คือความปรารถนาดีต่อผู้อื่น อยากให้ผู้มีความสุขนี่คือความเมตตาเวลาเรารักใครี่เราก็มีความบัณฑนาดีกับเขาใช่ไหมอยากให้เขามีความสุขรับภรรยาเราเราก็อยากให้ภรรยาเรามีความสุขพาภรรยาไปเที่ยวซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆให้ภรรยาแ่ดภรรยามีความสุขอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเมตตาอยากแต่ว่ามีความเมตตาที่มันเป็นค่อนข้างที่จะ เห็นแก่ตัวคือเราต้องการขอเราต้องการตัวเขามาเป็นสมบัติของเราเราก็เลยต้องมีความเมตตาให้เขายินดีรักเราชอบเราเขาจะได้มาอยู่ของเราได้อันนี้เป็นความเมตตาแบบมีมีเงื่อนไข่แต่ความเมตตาที่พระเจ้าสอนนี่ไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนมเมตตาเพื่อให้เขามีความสุขจริงๆเรา ไม่ต้องการอะไรเป็นสิ่งตบแทนมันจะเวลาที่เราไปบอ่อยจากเงินให้กับโรงพยาบาลอเงี้แล้วก็มีความเมตตาอยากให้เราพยาบาลได้ทําหน้าที่ดูแลรักษาคนคนไข้คนปว่วยเราไม่นด้หวังอะไรผลตอบแทนจากโรงพยาบาลนั่นคือความเมตตาต้องเป็นเมตตาแบบไม่มีความหวังที่จะต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนอือดังนั้น นี่คือหลักของความเมตตาให้ความสุขกับผู้อื่นแล้วก็ไม่สร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นนีนลักษณะของการมีเมตตาก็มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันในบทสวดสัตเพสัตตาอาเวลาหตนตะุก็คือเราอย่ามีเวรกรรมกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนที่เรา รู้จักไม่รู้จักอะไรก็ตามเราจะไ ม, ไม่มีเวรมีกรรมกันไม่จองเวรกันเพราะเวรไม่ไม่ระงับด้วยการจองเวรนะยิ่ ง, ย, งยิ่งจองเวรกันยิ่งก่อกรรมก่อเวรให้ยาวขึน้นไปข้ามภพข้ามชาติไปเรื่อยๆต้องให้อภยัยอย่างพระพุทธเจ้ากับเทวทัตนี่ก็เป็นจองเวรจองกรรมกันมาหลายภพหลายชาติ จนมาถึงพบสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ให้อภัยใช่เมตตาเทวทัตพยายามจะปลงพระชนน์พระพุทธเจ้าถึงสามครั้งพุทธเจ้าก็ไม่ตอบโต้ให้อภัยทั้งสามครั้งด้วยความนี่คือความเมตตาทรงเห็นว่าถ้าไปทำร้ายเขาเนี๋ยวเขากลับมาทำร้ายเราอีกแล้วก็ทําให้เขาตายเดี๋ยวพบหน้าชาติ้าเจอกันเขากล้ามาเล่นเราอีกตามข้ามพบข้ามชาติในการจองเวรจองกรรม ทำไมเราถึงเรียเราไปเราถึงมีเจ้ากรรมนายเวรกันก็เพราะไปเราเอาไปสร้างเวรสร้างกรรมเหรือนกนไปสร้างให้มีเจ้ากรรมนายเวรมาตามร่างแค้เราแต่ถ้าเราไม่ตอบโต้เราให้อภัยเขาทําร้ายเราเราก็ไม่ตอบโต้ให้อภัยเมตตาไม่จองเวรกันเดี๋ยวเรื่องมันก็จบย่อมน้นเขาก็จะไม่มาจองเวรจองกรรมกับเราอีกต่อไป อย่างพระเทวทัตยพยายามปลงมชชนสามครั้งทำไม่ได้ในที่สุดก็ยอมแพ้แล้วในที่สุกมาสำนึกผิดก็ไปกราบขออภัยจากพระพุทธเจ้าก่อนที่จะถูกท ร, รณีสูไปนี่หลพุทธเจ้าเองก็ใช้เมตตาไม่ไม่รังแค้นไม่จัดการกับพระเทวทัตไม่ป้องกันให้เขามาทำร้ายเรา อาจจะเป็นเพราะเจ้ามีบามีมากไม่มีใครสามารถทำลายองคเจ้าได้ท่านใ้อย่างมากเลยคือแต่ทาให้พระโลหิตห่อหอพระโลหิตห่อเลือนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่พระเทวทัตได้ทําการทําให้องค์เจ้าห่อเรือดนี้ก็ถือว่าเป็นอนันตฤกษ์กรรมตายไปก็ต้องไปตกเป็นโลกคุมที่นักที่สุดนานที่สุดนี่คือข้อที่หนึ่งเวลาเรามีเรื่องกับใคร อย่าไปา ierung, จองเวรจองกรรมกันอย่าไปเอาขล้างแค้นฟันต่อฟันตาต่อตามันไม่จบหรอกถ้าเขาเขาด่าเราเรากลับไปตีเขาเดี๋ยวเขากลับมาฆ่าเรามันก็แรงขึ้นไปเนด้วยๆถ้ามีคนไปเพรแล้วนิสัยก็ต้องตายเป็นเงินข้ามหนึ่งอีข้ามหนึ่งก็อาจจะอยู่อย่างยากลำบากเพราะญากพี่น้องของคนตายเขาก็คงจะตามมาล้างแค้นให้ เป็นมเช่นนั้นก็จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปลงโทษในคุกในตารามแต่ถ้าให้อภัยคิดเสียว่าสิ่งที่เขาทามันก็ผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วเราก็ไม่สามารถไปลบล้างมันได้คิดว่าเป็นการใช้เวรใช้กรรมไปดีกว่าแล้วการให้อภัยนี้มันจะทําให้ใจเราเยน็นใจเราสงบใจเรามีความสุขถ้าเราอาคาพยาบาทนี้จ้องเวรจ้ากรรมกินไม่ได้นอนไม่หลับ ใจร้อนใจเครียดอันนี้คือเราต้องมองผลที่ก็เกิดกระทบกับใจของเราเหมือนถ้าเราทําร้ายใจของเราเองเนี่มันรู้สึกตัวการที่เราใจไปคิดทําร้ายผู้ล้วทําทร้ายขเขาแล้วใจเราก็ทุกข์ใจเราก็ต้องหวาดกลัวหวาดระแวงของการที่จะต้องถูกเขาจับไปลงโทษอย่างเงี้ยอยู่ไม่เป็นสุข แต่ถ้าเราให้อภัยได้จบเราได่นอนหลับสบายไม่มีกังวลว่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาตามจับเราหรือเปล่าหรือญาติพี่น้องของคนที่เราไปทำร้ายเขาจะม า, านัางแค้นหรือเปล่าไม่มีปัญหาอะไรต่างๆตามมาอันนี้คือต้องคิดให้รอบคอบคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับใจเป็นหลัถ้าไปาน้่งแค้นกัาใจจะทุกข์น้อนหวานระเวงตายไปก็ไปนรกอีก แต่ถ้าไม่างแค้นเขาจบให้อภัยใจเราก็ยังเป็นเป็นถ้าเราเป็นมนุษย์อยู่เราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เพราะเราไม่ได้ทำแบบํำบาปไม่ได้ไปสร้างเหตุให้เราต้องไปอาบายแต่อย่างไดนี้ไม่ดีอาจจะได้เป็นเทพก็ได้เพราะการให้อภัยก็เป็นการทําบุญทําทานอย่างหนึ่งออันนี้ก็คิอว่าเป็นการทําบุญทําทานไป ให้เขาเขความสุ ข, ของเขาอยู่ที่การมาทําร้ายเราก็ให้อาภัยเขาไปไม่ไ ม, ไม่จองเวรจองกรรมกันเขามีความสูขก็โอเคเรายอมนับกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะยังไงมันก็เกิดขึ้นแล้วเราไปลบล้างมันไม่ได้อยู่นี่แต่เราจะรักษาใจไว้นราไม่ให้ลงต่าไปกว่านี้อานจะไม่ให้ใจเราตกไปอบาย เาจะให้ใจเรายืนเป็นปกติสุขไม่ต้องนอนหวนานโลแหวาดกลัวกับกับความนักแค้นของเขาเรื่องของญาติพี่น้องของเขาเป็นการถูกเจา้าหน้าที่ตำรวจมาตามจับไปลงโทษถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็ให้อภัยดีกว่าสบายใจกว่านอนตาหลับ อ, อันนี้กืลักษณะที่หนึ่งของการมีความเมตตา ให้อภัยมีเรื่องมีนาวกับใครก็อย่าไปฟ้องร้องขึ้นโรงพุ่นศาลก็ลยวจบเขาทําอะไรไปแล้วความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วเรายอมรับความเสียหายนั้นมันก็จบแนละ้วข้อที่สองก็คือไม่เบียดเบียนกันอาภัยอาปัาชาโขนโตก็ทําอะไรก็อย่าไปทําให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนบางครั้งเราทําอะไรไปแล้วเรานเราคิดรอบข้อทําไปแล้วไปทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน เช่น จ, จัดงานบวชแล้วก็เปิดเครื่องขยายเสียงดังลั่นไปทั้งคืนนี้เนะียชาวบ้านเขาจะนอนนอนไม่ได้ <c oughs> อย่างเงี้ย เ, เขา้อเบียดเบียนกันออทําอะไรก็ต้องระมัดระวังดูคนกระทบว่าจะเกิดความเสียหายเกิดความทุกข์ให้กับผู้อื่นหรือเปล่าถ้ามีก็ควรที่จะอย่าทํามันนี่ที่มีเรื่องปัญหาชาว บ, บ้านอยู่ร่วมกันเลี้ยงหมาแล้วหมาก็ไปที่หน้าบ้านของคนอื่น ไม่ก็ไม่ยอมรับผิดชอบไม่ยอมไม่ยอมจับหมากักหมาไว้ไม่ให้ออกไปทําสิ่งที่เสียหายกับคนอื่นอันนี้ก็เป็นการเบียดเบียนการขาดความเมตตาคนที่มีความเมตตาไม่ต้องการจะสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับใครอยากให้คนอื่นมีความสุขข้อที่สามก็คืออ น, นิจจโอนตุลอนสุหคือไม่ทําร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่น กรธเขาบางทีอยากจะฆ่าเขาอย่างนี้ไม่ควรทำหรือว่าอยากจะไปทําให้เข า, เขาเกลายความทร้าโศกเสียใจทําเขาไม่ได้อาจจะไปทําลูกเขาหรือไปทำหมาเขาอย่างนี้ก็ไม่ควรทําสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีการไปสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นคนที่มีเมตตาคนที่มีเมตตาต้องไม่ทําความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นต้องทําข้อที่สี่คือให้ความสุขกับผู้อื่นสุขีอตานางังบาลิหาลันตุ ทำกับข้าวไว้แกงหม้อหนึ่งก็มีเหนยแล้วก็ตักใส่แบ่งไปให้เพื่อนบ้านนะฮะอันนี้ผมทําแกงไก่มานฝาครับอย่างนี้อย่เงี้ยเป็นการสร้างมิตรภาพ น, นีคือความเมตตาแล้วพระเจ้าบอกว่าอ น, นิสงส์ของการมีความเมตตานี้มีเกือบรู้สึกสิกกกประการด้วยกันจาไม่ได้จะจําได้ถาวรหรือเปล่าก็าคือจะอยู่อย่างเป็นสุขนลับก็เป็นสุขตืินก็เป็นสุข นอนหลับ ก, ก็ไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีเทวดารักษาคุ้มของจะไม่ตายด้วยอาวุธด้วยยาพิษแล้วถ้าปฏิบัติทำนั่งสมาธิจิตก็จะสง บ, บได้ไง่ายแล้วถ้าเวลาตายก็จะไม่หลงแล้วตายไปก็จะไปสู่สุคติ น, นี่คือประโยชน์ของการให้ความเมตตาให้อภัยเราจะได้ประโยชน์นอกจากเราต้องมองกวา้วางๆแลอย่ามองแค่ร่างกายของเราอย่าไปมองแค่ทรัพย์สินของเราซึ่งเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเราต้องไปต่อใจของเราต้องไปไปต่อขั้งง่ายจะไปดีไม่ดีก็อยู่ที่เราทําดีแล้วไม่ดีถ้าเราทํำมีเมตตาเราก็จะไปดีไปสู่สุคติไปสู่นิพพาน แต่ถ้าเราทำบาปไม่ให้อาภายัยน้ําแค้นกันเราก็จะไปตกนรกอยู่ก็อยู่ยังไม่มีความสุขอยู่ยังหวานระแวง น, นี่ก็คื อ, คอประโยชน์ของความมีเมตตาแล้วจะทําให้ทุกอย่างสงบตัวลงถ้าถ้าทุกคนมีความเมตตาไอกเอ้ยไม่อย่าสุขอย่าฆ่ากันอย่าฟันกันเลจุ ด, ด, ดแล้วกลับบ้านกัน เรื่องมันก็จบนะคนที่จะตายเพิ่มก็ไม่มีแต่เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ใครจะตายเพิ่มขมาอีกเขาไม่รู้อีหน่อยแต่จะตองมารับผลพอแหมแค่นี้ยาวไปไหยโอ้ดีเลยครับพระอาจารย์ครับได้ช่วยตือนสติเราด้วยครับพระอาจารย์กลับขอบพระคุณครับมีคําถามจากท่านอื่นมาแล้วนะครับพระอาจารย์บอกว่า เห็นคนไม่ดีครับแล้วทําใจเมตตาเขาได้ยากมากเลยครับจะต้องทํำยังไงครับเห็นเขาไม่ดีครับเราก็อย่าไปมองส่วนที่ไม่ดีเขาเถอะมองส่วนที่ดีเขาก็มีโดยอย่างนั้นก็มองส่วนที่เราควรจะเมตตาเขาเขาก็เป็นเพื่อนร่วมโลกของเราเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายความโชคที่ได้จากการมาเกิดแก่เจ็บตายนี่ไม่ประแสนสาหัสอยู่แล้วควรที่จะอะช่วยเหลือกันดีกว่าที่จะมาทำร้ายกัน คนนั้นก็มีความให้ดีมองตัวเราบ้างเถอะตัวเรามีความดีไม่มีความไม่ดีมากหรือเปล่าอย่างที่ท่านพูดอยู่ว่าความดีของคนอื่นแม้เท่าผงทุปดีก็มองแม้แ ม, ม้เท่ า, า Louise, อกองภูเขาก็เป็นเหมือนผงทุปดีความเชื่อของผู้อื่นความไม่ดีของผู้อื่นแม้จะเป็นแค่ผงทุปดีก็มองมองเป็นเหมือนเท่ากับกองภูเขา ส่วนความไม่ดีของเรานี้แม้จะใหญ่เท่ากองภูเขาก็เหมือนกับผงทุเนี้นเราจะมีอคติเวลาเรามองคนเราจะมองคนอื่นนี้ไม่ดีแต่เวลาเรามองเราเรามักจะมองความไม่ดีของเราไม่เห็นครับตอนนี้ถ้าเราไปบริจาคเงินครับอาจารย์ให้เขาไปซื้อดโดรนที่ติดอาวุธอย่างนี้บาปไหมครับมันก็ช่วยกันสนับสนุนให้เป็นการฆ่าฟันกัน ถ้าพูดตามหลักศาสนามันก็ไม่ควรแต่ถ้าพูดตามหลักทางโลกก็มันก็เป็นธรรมชาติเป็นสารมนสํานึกของของมรุ่นและของสัตว์เดรัจฉานที่จะต้องรักษาชีวิตของตนไว้ก็ต้องป้อง ก, กันต้องป้องต้องป้องกันป้องกันตนเองให้อยู่มันก็เป็นลักษณะของสัตว์เดรัจฉาน คุณสมพรครับพรากว่าบางครั้งเราทุกยามบทที่ต้องทุกก็ต้องทนทุกกันแต่ก็ไม่นานทุกก็จางหายเหมือนเส้นผมบางภูเขาอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เราเรียกว่าอนิจจังครับใช่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วเราก็ไปวังครับไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะเกิดเราก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะดับเราก็สั่งมันไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าเรามาอยู่ในโลกของอ น, นิจจังไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีอะไรที่เราควบคุมบังคับได้ไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เหมือนกันมันมาเราก็ต้องทําใจอยู่กับมันไปแล้วเนี่ยมันก็ผ่านไปพรดังนั้นที่สุดเราก็จากโลกนี้ไปแล้วกลับมาเกิดใหม่เพราะเรายังโง่อยู่เราไม่ฉลาดไม่เบื่อสักทีเรากลับมาเจอแบบนี้อยู่ไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้วพระเจ้าบองน้ํนาตาที่เราหลั่งแต่ละภบแต่ละชาติ ถ้าเรามารวบรวมกันแล้วนี่มันมีมากยิ่งกว่าน้ํำในมหาสมุทรนะคิดถึงว่าเรากลับมาเรามาเวียนว้ายตายเกิดมาล้อมาล้อผมล้อให้กันนี่กี่แสนล้านครั้งกันกว่าจะได้น้ํามันน้ําตาที่มากยิ่งกว่าน้ํำในมหาสมุทรมีความน้อยใจลูกครับจะต้องตั้งสติยังไงดีครับแล้วก็ไม่อย่ายิกรู้ด้วยครับก็อย่าไปหวังอะไรจากเขาสิ คิดว่าเป็นการทำบุญทำทานมันก็นเลี้ยหมาตัวหนึ่งไปเราก็จะไม่เราก็จะไม่เสียใจเขาจะทำอะไรเขาจะมีเขาจะดีไม่ดีเขาจะเห็นบุญคุณของเราหรือไม่เขาเห็นความสำคัญของเราหรือไม่เขาจะเคารพเราหรือไม่เราก็ไม่ต้องไปสนใจอยไม่หวังอะไรจากเขาคิดว่าเลี้งเอาบุญไปก็แล้วกันเมื่อเราทำให้เขาเกิดมาแล้วก็เลี้ยงเอาไปจังหวะเขาจะช่วยตัวเขาเองได้ แต่ยังไม่หวังว่าไรตอบแทนจากเขานล้วเราก็จะไม่เสียใจมันจะไม่น้อยใจแต่ถ้าเราไปหวังว่าเขาจะต้องเคารพเราก็ย mm ัง hmm. ต้องมีความกดดันอยู่พอเขาไม่เป็นเนี้ยเราก็เสียใจน้อยใจขึ้นมาตอนนี้ดูข่าวสู้รบแล้วมีความเครียดมากครับทําอย่างไรดีครับอย่าไปดูเลยสิไม่ดูมันก็ทำให้เราเครียดถ้าเราไม่ดูมันมันก็ไม่เครียด สงสารชาวบ้านครับทําจิตใจอย่างไรดีครับก็เป็นกรรมเลยทุกคนมีกรรมเป็นของตนแล้วทํากรรมอันใดไว้ก็จะต้องแบ้รับผลของกรรมนั้นกรรมของเขาพา้เขามาเกิดอยู่ที่จุดจุดนั้นแต่ถ้าเขาฉลาดเขาก็อบพ ย, ยมหนีไปได้นี่อเ้ ลางสังหรณ์เป็นความเชื่อหรือเป็นความจริงครับเพราะเกิดขึ้นกับตัวเองก่อนเกิดเหตุการณ์มักจะมีอะไรบางอย่างก่อนเสมอครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะนี่เราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้บางคนมีลางสังหรณ์แล้วก็มักจะมีเหตุการณ์ตามที่คิดก็ได้แต่จะทุกครั้งหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ต้องต้องเก็บ ส, สติ ด, ดูลางสังหรณ์บางอย่างมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็นได้ก็ต้องสังเกตดู หรือว่าจะเป็นความสามารถความสามารถพิเศษของเราก็ได้ที่สามารถมีอะไรนุ่งร่าก่อนได้เราควรจะทําใจอย่างไรในสภาวะเช่นนี้ครับสงสารผู้เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายครับทําใจว่าในที่สุดก็ตายกันหมดเราเกิดมาแล้วเราก็แก่ต้องเจ็บต้องตายตายช้าตายเร็วก็ต้องตายอยู่เหมือนกัน ถ้าเราเห็นว่าในที่สุดเราก็ต้องตายกันทุกคนเหมือนกันเท่ากันเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกเศร้าโศกเสียใจเท่าไหร่ก็ใช้ปัญญาขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าอยากจะอยู่รอดอยู่ก็อาจจะต้องหนีจากเหตุการณ์ที่มันอาจจะเสี่ยงภัยต่อความเป็นความตายแต่คนเราก็ไม่แ น, น่นะถ้ามันมีกรรมตามมาเหมือนก็เหมือนกับหนีเสือปาจระจรเข้หนีตรงนี้ไปข้างหน้นาก็ไปเจอปัญหาอีกอย่างขึ้นมาแทนที่ก็นด้ มันก็แล้วแต่เราจะยอมรับรับผลกรรมของเราหรือไม่ถ้ายอมรับผลกรรมก็อยู่มันไปสู้กับมันไปจนกว่ามันจะตายหรืออยากจะหนีก็หนีไปได้หนีไปก็ไม่รู้เดี๋ยวมันเจะข้างหน้าจะไปเจอปัญหาอะไรใหม่ก็ได้เรียนถามว่าอาวิชชาและกิเลสต่างกันอย่างไรครับกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลง ความวิชาก็คือความหลงเป็นกิเลสอย่างนึีน้เป็นต้นเหตุของความโลภความโกรธความหลงทําให้เราโลภ อ, อยากได้นั่นอยากได้นี่เพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ถ้าเรามีปัญญารู้ว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้ไม่อยากโลภเช่นแผ่นดินที่แย่งกันเนี่ยถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นทุกข์นะมีมาได้มาก็ต้องคอยปกป้องรักษาถี่ไปก็เสียใจ มันก็แ ล, ล้วไม่รู้จะมีไว้ทาไมอย่าไม่มีบรรยากาศแล้วเราจําเป็นจะต้องมีมันหรือเปล่ า, าจริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมีมันเราก็มีบ้านของเราอยู่แล้วไม่ใช่เหรอที่อยู่ที่อาศัยของเราก็มีที่ทำกินเราก็มีอยู่แล้วใช้ปัญญาคือครับด้วยเหตุด้วยผลคิดด้วยเหตุด้ผลแล้วมันก็จะทําให้เราไม่หลงไม่โลภดูข่าวการสู้รบช่วงนี้แล้วเครียดและโกรธ ผู้นำทั้งสองประเทศที่นำพาความเดือดร้อนให้ประชาชนสงบจิตสงบใจไม่ได้เลยพระอาจารย์มีหลักทําจิตอย่างไรถึงให้ใจสงบได้ครับในช่วงนี้ครับก็อยนดูอย่าฟังแล้วก็ถ้าใจยังไม่คิดถึงมันอยูก็ใช้การใช้สติบริกามุตโตผู้โตให้มันหยุดคิดถึงเรื่องสงครามไปเท่นั้นเองพอมันหยุดคิดแล้วมันก็ลืมไปหมดเรื่องสงครามก็ออกไปจากใจเราความเครียดที่เกิดจากเรื่องสงครามก็จะหายไปหมด สอบถามพระอาจารย์เรื่องสมาธิกับสติครับมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันไหมครับไม่หรอกมันเป็นเหตุเป็นผลสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสติคือการระลึกนู้สมาธิก็คือความนิ่งสงบของใจแต่ทางภาษาไทยเรานี่มักจะใช้ปนกันใช้แทนกันเช่นวันนี้ไม่มีสมาธิในการทํางานเลยความจริงความหมายก็จไม่มีสติในการทํางาน จิตไม่แล้วจิตไม่ยอมแล้วแล้วรู้อยู่กับเรื่องงานหน้างการกับลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นนนคิดถึงเรื่องสงคารามคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆนี่แสดงว่าการขาดสติไม่ใช่ขาดสมาธิเพราะคนในในโลกส่วนใหญ่ไม่มีสมาธิกันหรอกสมาธิที่ที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้ไม่มีใครได้กันหรอกมีน้อยมากคือการเข้าฌานนี่สมาธิก็คือการเข้าฌานจะเข้าฌานได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจ ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆผูกใจไว้กับกรรมฐานคืออารมณ์เช่นพุโทโธพุโทโธถ้าเราสามารถผูกใจไว้อยู่กับพุโทโธได้เดี๋ยวใจก็จะหยุดคิดเดีวใจก็จะเน่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาจากคุณหนุ่มน้อยครับหลวงตาครับผมทานข้าวตอนเช้าเพราะทานข้าวประจําพอทานอิ่มไปทําบุญเข้าพรรษาที่วัดถามว่าบาปไหมครับ มันก็แล้วแต่ว่าเรามันจะมาบตรงไหนด้วยไม่เข้าใจคนเราก็ต้องกินข้าวทุกคนแต่ว่าสององค์เจ้าก็ต้องกินข้าวเหมือนกันไม่บาปหรอกกินข้าวเหมืนในแง่กินก่อนพระไหมครับพระอาจารย์อย่างงเก็ไม่ บ, าบ่าปก็จะกินก่อนพระหลังพระถ้ามันเป็นข้าวส่วนของเราไม่ใช่ไปเอาเอาส่วนที่เราไปถวายพระแบ่งมากินถ้าไปเอาของที่แบ่งที่เราจะไปถวาย ถ้าเอามาแบ่งมากินนี่ถ้าเราขโมยของที่เราของทําบุญนะถ้าจะเป็นของทําบุญแล้วก็อย่าไปแตะการเรียนถามพระอาจารย์ครับขณะที่ปฏิบัติสมาธิภาวนาจะสามารถไปถึงขั้นวิปัสนาได้ไหมและจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับคือมันเป็นขั้นแรกที่จะนําไปสู่ขั้นที่สองคือวิปัสนาก่อนที่จะไปถึงขั้นที่สองได้ก็ต้องผ่านขั้นที่หนึ่ง เพราะถ้าไม่ผ่านขั้นที่หนึ่งจิตจะไม่มีพลังที่จะไปเจริญวิปัสนาพเพื่อหยุดตัญหาความอยากต่างๆได้ดังนั้นต้องไปไปขั้นที่หนึ่งก่อนทําจิตให้รวมให้เป็นให้สงบให้มีกําลังหยุดกิเลสให้ได้ก่อนถ้าจิตเข้าสมาธิได้ก็แสดงว่ามีกําลังที่จะหยุดกิเลสพอเรามีกําลังแล้วขั้นที่สองก็ไปพิจารณาปัญญาให้เห็นว่ากิเลสเป็นตัวที่ทําให้ใจเราทุกข์ พอเราเมื่อาทุกเพราะเกณฑ์เราก็จะหยุดกิเลนได้สวดมนต์ทำวัดเช้าคนเดียวนะครับจะต้องสวดตรงท่อนหันธรรมยังด้วยไหมครับไม่จําเป็นอาจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้แล้วแต่เราการละสักการทิฐิโดยไม่สามารถเข้าฌานแปลว่าไม่สามารถเป็นโสดาบันได้ถูกต้องไหมครับ น่านจะเป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีกําลังที่จะหยุดความยึดมั่นถือมันในร่างกายเราได้ต้องเข้าฌานก่อนถ้ามีฌานนั้นจะมีกําลังปล่อยวางได้มีมือแบาถ้าไม่มีมือาปล่อยวางไม่ได้ยังยึดยังติดยังรั่ช้าโกลลงอยู่กรณีที่เขามาแย่งแผ่นดินของเราล่ะครับรอาจารย์เขาขี้โกงและสร้างข่าวเท็จครับ ก็ไม่รู้เป็นของเราทัางแต่เมื่อไหร่ก่อนหนะ้านี้มันเป็นของใครเราก็ไม่รู้อีกครับงั้นอย่าไปถือว่าเป็นของเรามันก็จบอันนี้เป็นเรื่องของที่จะาต้องมาปรึกษามาคุยกันมาตกลงกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นของใครกันแน่เขาก็ว่าเป็นของเขาเข า, เาก็ว่าเป็นของเราแล้วใครจะใครจะไว้ใครจะไปรู้เป็นของใครกันแน่ เวลาที่นั่งสมาธิแล้วเหมือนตัวเองหลับไปครับแต่บางครั้งก็รู้สึกตัวแบบนี้คือได้สมาธิไหมครับไม่ได้หรอกถ้าหลับไปไ ม, ไ, ไม่ได้มพนั่นเป็ความรู้สึกตัวตลอดเวลาตืนตลอดเวลาไม่หลับเลยาการเรียนถามพระอาจารย์ครับเจอหัวหน้าที่ทํางานผดเด็จการไม่มีความถูกต้องให้เอกสารที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้คนทําอย่างไรครับ ก็มีทางเลือกอยู่ต่อไปหรือลาออกอยู่ต่อไปก็ต้องยอมให้เขาเป็นประเด็ดการเราก็มี็นคนเขาเป็นหัวหน้าเราเขาเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้กับเราถ้าเราก่อกรรมไปแล้วพอมีสติเราเริ่มเห็นความไม่ดีของตัวเองรู้สึกเกลียดความเป็นตัวเองที่เป็นแบบนี้จะต้องทำอย่างไรครับความเกลียดชื่อไม่ดี ให้เราสำนึกก็เราผิดดีกว่าผิดแล้วแก้ไขต่อไปคนเราผิดพลาดได้เมื่อยามรับว่าเราผิดมันก็จะมีโอกาสแก้ไขได้ดเกียดชังเฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรํานึกผิดสรารภาพบาปยอมรับผิดแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขไม่ไม่ทําเหมือนเดิมอีกไม่เป็นเหมือนเดิม เหมือนพระปรงอาบัต์อย่างนี้เหรอครับอาจารย์ได้แบบนั้นไดไม่ได้ล่างบาแบบนีไ้ไดสารภาพว่าทำผิดประจา์ตัวเองต่อต่อพระ ไ, ได้ไม่กล้าทำซ้ำอีกแต่ถ้าไปโปงงบ่อยๆนี่ก็แสดงว่าไม่มีความสำนึกที่แท้จริงอาจารย์คร <laughs> ับแล้ถ้าป่งบ่อยๆก็สึกไปดีกว่าสึกไป <laughs> อ้าว เรมานี่พืปรับปรุงตัวเองไม่ใช่ทำท่ามซ่าบรู้ว่าผิดแล้วยัง ท, ทํามซ่ากอยู่นี่ก็แสดงว่าดือด้อรั้นเมื่อดื้อรั้นนั้นก็ไม่มีทางที่จะเจริญเจริญในทางศาสนาได้อยู่ไว้ก็เพื่อเข้าสุ่ขอุงเจ้าบ้านก็ว่าไปคิดอย่างนี้ครับสึกไปดีกว่าถ้ารักษาศีลไม่ได้ก็ยอยู่ไปทําไมพระาจารย์ครับแล้วถ้าอยู่องค์เดียวในป่า่านี้จะไปปผงอาบัตที่ไหนะครับ ก็ว่งกับตัวเองไว้ก่อนว่าเตือนตัวเองว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปอันนี้แล้วอย่าไปทําอีกถ้าได้โอกาสมีโอกาสไปเจอพระที่ไหนก็ไปขอปรุงบำบักับท่านก็ได้อุเบกขาในสมาธิเทียบกับนิพพานชั่วคราวชั่วขณะได้ไหมครับใช่เป็นนิพพานชั่วคราวเพราะนั้นจิตไม่มีกิเลสเพราะกิเลสถูกกาลังของสมาธิของสติกดเอาไว้ แต่ว่ามันไม่ตายเหมือนหินทับหญาอย่างเงี้ยสมาธิเป็นเหมือนหินทับยญ า, ารเราเองไม่ทับยญาหญาก็งอกขึ้นมาไม่ได้กิเลสก็ทํางานไม่ได้แต่พอยกยกหินออกจากยญ้าไปเดี๋ยวยญาก็งอกขึ้นมาใหม่ได้พอออกจากสมาธิมาปับพอเห็นรูปเห็นพอได้สัมผัสไปกับรูปเสียงกิเลสกิเลก็ออกมาแล้วอยากได้นู่อยากได้นี่นะพอคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมา แต่ถ้าเป็นนิพพานนี่จะ อ, อยู่ในสมาธิแล้วไม่อยู่ในสมาธิก็ไม่มีความอยากเฉยๆเห็นทุกอย่างว่าสักแต่ว่ารู้ไปนั่นเองไม่มีความอยากไม่มีความรักชันกลัวหลงกับสิ่งใดทั้งสิ้นเฉยๆผมจะสวดมนต์คนเดียวครับเพราะใจชอบสวดครอบจักรวาลสั้นๆดีกว่าครับเพราะสวดมนต์คุณยายแล้วหลายปีแล้วผมใจไม่ค่อยชอบสวดวัด เอาส่วนที่ใจชอบวัดพระผมสวดทำวัดเย็นวัดป่าใจชอบครับถามว่าผมไม่ได้สวดคุณยายพร้อมกันจะได้บุญไหมหลวงตาครับผมจะสวดมันคนเดียวเพราะใจอ่อนนี่เหมือนเดิมครับอาจารย์ได้บุญไหมครับได้จะสวดพร้อมกันหรือสวดคนเดียวก็ได้บุญเหมือนกันได้สติเน่ยอาจจะได้ความสงบบ้างแต่ยังไม่มากยังไม่เข้าถึงขั้นสมาธิแล้วงสวดแบบมีสติ ก็สวยไปไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับบทสวดวนไปเรื่อยๆเป็นการฝึกสติสร้างสติขึ้นมาแล้วก็ทำให้ใจเย็ยนลงเบาลงสงบขึ้นแต่อาจจะไม่ถึงขั้นขั้นสมาธิกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ได้ความรู้และเตือนสตินะครับบางครั้งก็อดคิดและโกรธไม่ได้กับ และอดโกรธไม่ได้นะครับกับคนที่เห็นแกนตัวแล้ว เ, เปรียบผู้อื่นและดูเหมือนจะทำจนเป็นนิสัยไปแล้วครับความโกรธมันเป็นพิษเป็นภัยมากกว่าคนที่ทำให้เราโกรธนคนที่ทำให้เรากรธมันไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะแต่ความโกรธเนี่ยมันทำให้เราทุกข์ทำให้ใจเราเครียดทำให้ใจเรากินไม่ได้นอนไม่หลับยรงต้องมาทำร้ายความโกรธไม่ใช่ไปทำร้ายคนที่ทำให้เราโกรธ เวลาที่ไปทําบุญแล้วที่วัดมีกับข้าวเหลือเยอะแยะแล้วเราเอามาเอากลับมาบ้านแบบนี้เป็นบาปไหมครับก็แล้วแต่ว่าวัดเขาอนุญาตหร้อไ่ถ้าวัดก็อนุญาตก็เอากลับมาได้ถ้าวัดเขาไม่ อ, อนุญาตก็ไม่ควรเอากลกับมาก่อนเอากับแล้วก็ถามก่อน สมพรครับโยมเป็นคนตกหลุมรักคนดีๆได้ง่ายจึงทําให้ใจเขวะใจไม่มีความสุขอย่างนี้แสดงว่าโยมสติอ่อนกําลังแต่กิเลสเข้าครอบงําแทนจึงทําให้จิตใจสายจิตใจไม่สงบหวันว่นวายไปตามกิเลสที่ครอบงําโยมเข้าใจกิเลสกัดกร่อนจิตใจโยมถูกต้องใช่ไหมครับต้องแก้อย่างไรครับคือขาดปัญญาด้วยไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไม่มีอะไรแน่ น, นอน เรอยากให้ถอาแน่นอนอยากจะให้เขาดีกับเราแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะดีกับเราไปตลอดหรือเปล่าเราก็เลยมีความกาังวลขึ้นมาแต่ถ้าเรามีมีสติมีปัญญาเราคิดว่าทุกอย่างไม่มีแล้วแน่นอนเข า, าจะดีกับเราวันนี้พวันนี้ก็อาจจะไม่ดีกับเราก็ได้รับเราวันนี้วันนี้กอาจจะเกิดเราก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็เราก็ปลงได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีใครดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่า ใจได้สงบมีความสุขมากกว่าพระที่มายืนบิณฑบาต ท, ที่ตลาดอย่างนี้ผิดวินัยสงไหมครับไม่มีไม่มีข้อห้ามมันอยู่ที่ทเทศุผลว่าท่านยืนยืนเพื่ออะไรเคยตอบไปครั้งแล้วตันนี้คนก็ใส่บาตรกันก็ไม่ได้ทํากับข้าวที่บ้านกันแล้วคนในเมืองนะเพราะตื่นเช้าขึ้นมาเขาต้องรีบไปทํางาน คนใหา่ก็ไปกินข้าวที่ตลาดกันแล้วก็ซื้อข้าวใส่บาทให้กับพระอพ่อจะไม่บินทบาทบางทีก็ไม่มินทบาทก็ต้องมายืนด้วยถ้าไม่ยืนก็ต้องเดินเวียนเทียนเดินเดินหลายหลารอบหนยแต่ถ้ายืนแบบมีการทําธุรกิจกับแม่ค้าขายของนี่ไม่ควรทําเช่นยืนไว้เพอพอพ อ, พอคนมาซื้อเขาจากแม่ค้าเอาใส่บาทแล้วเราก็เวียนเทียนเอาของนี่คืนให้แม่ค้าไปแม่ค้าก็ค่าเงินเรากลับมาถ้าทาแบบนี้ก็ไม่ควรทำ ฝันถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วบ่อยๆทั้งที่เราไม่ได้นึกถึงแบบนี้แปลว่าเขามาขอส่วนบุญเราไหมครับเราไม่รู้หรอกถ้าเราไม่มีญาณอย่างทราบจริงๆใจเราเวลาเราดับลาจะคิดถึงเขาแล้วฝันถึงเขาก็ได้ในที่เราไม่มีเจตนาตั้งใจจะฝันแต่นั้นเวลาเรานอนหลับไม่มีสติพอที่จะควบคุมความคิดของเราได้มันจะคิดทาเรื่องอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับยิ่งเพื่อความมั่นใจเพื่อความ สบายใจก็คิดว่าเขามาขอบุญกันเราก็กันถ้าก็ทำไปมันก็จะมาขอจริงไม่ขอจริงไม่เป็นไรถ้าเขาไม่ได้มาขอจริงบุญก็จะกลับมาเป็นของเราอยู่ดีเพราะบุญที่เราทํานี่เราเพียงแต่แบ่งไม่ได้เพียงส่วนนั้นท่นั้นเองส่วนใหของบุญที่เราทํานี้ก็อยู่กับเรากลับไปพัดถามพระอาจารย์ครับเจอปัญหาที่ทํางานมากมายคิดจะลาออกจากอาชีพนี้ดีไหมครับ ก็เราอยู่ได้โดยที่ไม่มีเงินได้เล่ถ้าอยู่ได้ก็ลาออกไปเลยถ้ายัอยู่บ้าไม่มีเงินก็ต้องไปบวชนะอย่างเรานี้เราเราจากงพอไม่มีเงินแล้วมันก็ก็ต้องไปบวชนะถ้าไม่บวชมันก็ต้องไปทํางานถ้าไม่อยากจะทํางานก็ไปบวชนะในประเทศไทยมีออปชันที่ดีที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ทำเหมือนประเทศไทยมี สังคมสองข้อที่ดีที่วิเศษที่สุดเลยตร ง, งานแล้วไปบวชครับ <c oughs> มีข่าวฟรีบ้านฟรีอะไรฟรีหมดการ น, น้ำข้าไฟฟรีหมด้ไม่มีที่ไหนในโลกนีที่ทที่จะเป็นเหมือนประเทศไทยหรอกแม้แต่ฝรัง่งเนี่ต้องมาบวชที่ประเทศไทยไปตก ง, งานที่บ้านเขาแล้วก็มาบวชที่ประเทศไทยเ <c oughs> าสวัสดีการของเขาไม่มีบริการนขนาดนี้มาบวชแล้ว ร, รับประกัน อยู่ฟรีกินฟรีไปตลอดชีวิตเลยครับแต่บางคนก็อยู่อยู่ไม่ได้คราาับ<พ>อาจารย์อดกิลอตอนต้นการจะอยู่ได้เพราะอดข้าวอะไรอยู่แต่พออิ่มน้ําทํำลายนักกิเนเล่มันเริ่มออกมานะตอนนี้หิวข้าวไม่ได้คิดถึงเรื่อ ง, องกามคุณเท่าไหร่มันคิดแต่เรื่องวิธีดับความหิวของร่างกาย แต่พอร่างกายอยู่อย่างอิ่มหนี้พิมันสุขสบายแล้วทีนี้กิเลสมันเริ่ม อ, ออกมาวเวลาที่เกิดโทสะควรกําหนดจิตเช่นไรครับเพราะสติจะตามไม่ทันความโกรธตลอดเลยครับก็ก็สร้างสติขึ้นมาใหม่ไนดะ้โกรธแล้วเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธท่องพุโทโธพุโทโธไปจนกว่าความโกรธจะหายไปคนในครอบครัวติดเหล้าครับ เราควรทําอย่างไรให้กรรมตัวนี้หมดไปครับไม่ใช่กรรมของเราเขาต้องเป็นคนที่จัดการกับกรรมของเขาเองเราจัดการกรรมของเขาไม่ได้เขาก็ต้องหยุดกินนะถ้า ห, หยุดกินกรรมอันนี้ก็หมดไปทางพุทธศาสนามีวิธีป้องกันตัวจากอมนุษย์มิจฉาทิฐิที่มารบกวนมนุษย์ไหมครับคือ อามนุนที่หมายถึงอะไรพวกผีปีศาจหรือกใใ็ใช้สติใช้ใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยทำใจให้นิ่งให้สงบให้วางเฉยแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้ทำสมาธิไ ป, ปแล้วหลับตาแต่ตาในมองเห็นเป็นวงกว้างขณะหลับตาหมายความว่าอย่างไรและควรทำอย่างไรต่อครับ ก็ตานอกกับตาในมันเรามีสองตาไงตานอกก็คือตาหน้ากายตาในก็คือใจของเราใจของเราสามารถผลิตภาพต่างๆได้ในขณะที่เราหลับตาจะให้ผลิตภาพเป็นโครงกระดูกก็ได้ผลิตภาพเป็นผีก็ได้มันนับแต่ใจเราจะผลิตขึ้นมาทําไมโยมได้ข่าวพระโยมรู้สึกเฉยๆถือว่าเป็นเรื่องดีที่ได้เปิดเผยผู้ที่มาใส่พศาสนา ครับก็ดีถ้าไม่ถ้าไม่ไมทุกข์ก็ดีสแสดงว่าเรามีเหตุมีผลเราคิดด้วยเหตุด้วยผลเราไม่คิดด้วยอารมณ์แต่พอโยมเห็นทหารเสียขาไปโ ย, ยมเห็นใจมันดิ้นไม่ยอมเลยครับก็เราไม่คิดด้วยเหตุด้วยผละเราไปคิดด้วย<ม>อารมณ์เพราะเรารักทหารเราไม่อยากให้เขาต้องเจ็บ แต่ถ้าเราคิดด้ด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยหัก็คนทุกคนไม่ว่าจะเป็นทหารก็ไม่เป็นทหารไม่ว่าจะมีสงครามกอไม่มีสงครามในที่สุดก็ต้องเจ็บตายไปเหมือนกันทุกคนต้องเจ็บต้องตายไปเหมือนกันทุกคนขอคําแนะนําในการนําการละมาสูตรมาประยุกต์ใช้ในสภาวะการสงครามที่ข้อมูลมาจากหลากหลายแหล่งอาจเชื่อถือได้ยากควรมีหลักคิดในการรับฟังข้อมูลเช่นไรครับ ถ้าเรายังไม่รู้ความจริงก็อย่าไปเชื่ออย่าไปปฏิเสธนะรับฟังไว้ก่อนแล้วก็หาวิธีพิสูจน์ว่าเป็นไปตามที่เขาเขาพูดหรือไม่ถ้าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปปฏิเสธรับทราบไว้แล้วก็ค่อยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เราไว้ใจได้ที่เรามาาั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่ที่ถูกต้องแนละ้วค่อยเชื่อ จะต้องเป็นเปรตเท่านั้นถึงจะรับบุญได้หรือครับใช่เป็นขอทานทางจิตวิญญาณเราเรียกว่าเปรตเพราะเวลามีชีวิตยอยู่มีความตนนีมีความโลภอยากจะได้แต่ข้าวของเงินทองแต่ไม่อยากจะเสียข้าวของเงินทองก็เลยไม่ทําบุญเวลาตายไปเลยไม่มีบุญติดตัวไปใจใจหิวใจอยากก็ไม่มีบุญที่มันทําให้ทํทาให้ใจอิ่มได้ก็เลยต้องมาขอ บุจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าไม่ได้เป็นพระจะสวดมนต์บทปฏิสังขาโยนิโสได้ไหมครับได้สวดบทไหนก็ได้การสวดมนต์เพื่อเป็นการกล่อมใจให้สงบแม่คิดฟุ้งซ่านนะทำไมการให้อภัยหรือเมตตาคนที่มาทำร้ายจิตใจเราถึงทำยากจังเลยครับเพราะตอนนั้นมันรู้สึกโกรธมากครับ เพราะเราไม่เคยฝึกมาก่อนไงเรามีแต่มีระเกียจช่างเขาเวลาที่เราเจอคนที่เราไม่ชอบเราต้องมาฝึกเปลี่ยนใจทาใหม่ว่าเราต้องให้ความเมตตากับทุกๆคนเขาก็เหมือนกับเราไม่ชช่เขาเล็วเขาก็จะต้องแก่เจ็บตายไปเหมือนกันการที่จะไปโกรธเขาเนี่ันเป็นคนเสียหายต่ำเรามากกว่ากาจิตใจเรา ทำให้จิตใจเราเรียดกินไม่ได้หนอนไม่หลัตอนนี้ต้องแพ้ต้องแผไม่ตายงอยู่เรื่อยๆนี่อะหายก็หายอยู่หน้ากุดแล้วครับอาจารย์งหลังกุดงหลังอันความหน้าต่างมันอยู่ใกล้กับมันพอดีถ้าอย่างที่มีที่คุณหมอเคยไปนั่ ง, งทำคอมอยู่นะครับตัวเดิมเลยครับอาจารย์ <laughs> ช่วงนี้จิตไม่สงบครับเพราะว่าตามสถานการณ์เราจะวางจิตยอย่างไรดีครับก็ต้องหยุดอย่าไปติดตามแล้วก็พยายามควบคุมด้วยสติอย่าให้คิดถึงน้ำราวตา่างๆนั่งสมาธิจเจริญสติและการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปน้องชายปิดยาครับจะเอาธรรมะช่วยได้บ้างไหมครับมันอยู่ที่ตัวเขาไม่ได้อยู่ที่เราเราช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้ว เรต้องถามเขาว่าต้อกันให้ความช่วยต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าถ้าช่วยเราทําให้เขาหายได้ก็ช่วยเช่นเขาบอกอยากจะไปที่วัดทํากระ บ, บอกเพื่อเพื่อรักษาท่านี้เราก็พาเขาไปได้จ่ายค่าลดค่าอะไรไปถ้าเขาอยากจะไปเขาไม่มีค่ารดค่าอะไรไปค่าใช้จ่ายถ้าไปอยู่ที่นั่นแล้วมักจะมักจะหายจากจากการเสพยาเสพติดได้ ในขันห้าหรือร่างกายกับจิตใจตัวเราคือส่วนที่เรียกว่าจิตใจใช่ไหมครับคือตัวเราความจริงมันไม่มีหรอกมั น, เ ป, นเป็นความคิดปรุงแต่งที่ว่าปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเหมือนคนที่เขียนนิยายฉะนั้นเขียนนิยายผลิตสร้างคนนั้นขึ้นมาสร้างไหกอรสร้างรางของขึ้นมาแล้วก็แต่งเป็นเรื่องเป็นนาวไปใจเป็นผู้แต่งตัวตนขึ้นมาซึ่งความจริงมันไม่มีตัวตน อาจารย์จะรู้ได้อย่างไรครับว่าพบชาติหน้ามีจริงเคยเห็นอะไรที่เหนือธรรมชาติอย่างเช่นวิญญาณหรือครับมันก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไมเราเชื่อว่ามีอาจจะมีแค่ความเชื่อก็ได้เพราะว่าเห็นว่าจิตมันไม่ตายเมื่อไม่ตายมันก็ต้องไปต่อร่างกายมันตายแต่จิตมันไม่ตาย อาจารย์ครับที่รู้ว่าจิตไม่ตายนี่เพราะสมาธิใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เพราะจิตจิตกับกายมันญยกออกจากกัน่ะเช่นตอนที่เผาหน้ากายนี้หน้ากายก็กลายเป็นดินไปแต่จิตมันยังอยู่จิตมันยอยู่อย่างสงบเย็นสบาย okay. หนูย้ายมาทํางานสักพักรู้สึกว่าผู้บังคับบัญชาไม่เมตตาไม่ชอบเราเลยแต่ยังต้องทํางานอยู่ ยังดีที่มีเพื่อนดีๆตอนนี้มีคนมาใส่ความเรากับผู้บังคับบัญชาและเกิดปัญหาในการทำงานหนักมากมีผลร้ายในการทำงานหนูจะวางใจอย่างไรครับอาจารย์เอ่อเพื่อเป็นกรรมของหนูก็ต้องนั บ, น, บนับกรรมไปอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปในที่สุดเราก็ต้องจากไปอยู่ดีเราไม่ได้ทงานกับเขาไปตลอดแล้ววันหนึ่งมันก็จะต้องมีการแยกฐา น, นไป ถ้ายังไม่ได้ยากทานก็อยู่ือนไปจะ ก, ก่อนจะถึงเวลาที่จะแยกกันไปถ้าบริจาคร่างกายแล้วเสียชีวิตไม่ให้ญาติทำพิธีทางศาสนาแต่ให้โรงพยาบาลรับร่างกายไปเลยอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับเราสั่งได้แต่ไม่รู้เขาจะทำหรือเปล่าเราไม่รู้นะ สวดมนต์โดยฟังหูฟังและวิ่งลู่ออกกำลังกายไปด้วยบางครั้งท่องได้บ้างไม่ได้บ้างหลงห ล, งลื ม, ลมแต่ก็บังคับจิตใจกลับมาฟังสวดมนต์ได้แบบนี้เราได้บุญจากการฟังเสียงสวดมนต์บ้างไหมครับและบุญที่สูงสุดคือบุญอะไรครับก็คือสติไงบุญก็คือสติเราก็อาจจะได้สติบ้างแต่ไม่ไดอ้อย่างต่อเนื่องเพระเราอาจจะเผลอเราอาจจะไม่ได้ฟัง หลงหลงเนยก็แสดงว่าเราเพาไม่มีสติถ้ามีสติใจเราก็จะตั้งมั่นเวลาที่เรานั่งสมาธิพอจิตเรานิ่งเราเห็นจิตตัวเองมีสองดวงอย่างนี้จริงไหมครับคุณเห็นเองงั้นแล้วมาถามเราทำไมสัรทิตดิโกโการเห็นก็ต้องเป็นการเห็นที่เรามั่นใจจะมีกี่ดวง ก็แล้วแต่ก็มันเป็นถ้ามันเป็นอย่างที่คุณเห็นมันก็เป็นอย่างที่คุณเห็นนี่มันจะจริงหรือไม่จริงนั้นก็เลยอเรื่องหนึ่งเราก็ต้องมาศึกษาประสูทธ์คาสอนพระเจ้าคำสอมพระเจ้าบอกจิตมีดวงเดียวสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเป็นภาพหลอนเป็นภาพที่จิตสร้างขึ้นมาอีกทีนึงเป็นอนิจจาเกิดแล้วดับอนัตตาเราไม่สามารถไปควบคุมบางครั้งมันได้ ก็พิจารณาเป็นตายรักก็พอมันจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นสองดวงสามดวงสี่ดวงก็พิจารณาเป็นตายรักไปทั้งหมดเนื่อมันก็จะจบใจเราก็จะไม่ต้องวังกังวลมันต้องมาถามคนอื่นว่ามันเป็นอะไรจริงไม่จริงเราไม่ต้องสนใจมันจริงไม่จริงเราสนใจวิธีปฏิบัติกับมันก็พอจะทํำยังไงให้ใจเราไม่ต้องมาวุ่นวายไปกับมันทอะไรก็พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตา อนุญาตถามพระอาจารย์ครับมีความคาใจมากเพราะว่าสามีนอนหลับแล้วเสียชีวิตไปเลยครับอการจะเสียชีวิตเนี่ยมันเสียได้ทุกทุกทุกเวลานาทีตื่นก็ตายได้หลับก็ตายได้มันไม่มีผลอะไรต่อต่อดวงวิญญาณที่จะไปต่อดวงวิญญาณที่จะไปต่ออันนี้อยู่ที่บุญหรือบาปที่ได้ทําไว้ว่าภายไหนมีกําลังมากกว่ากัน ถ้าฝ่ายบุญมีมากกว่าก็ดวงวิญญาณก็ไปสวรรค์ถ้าบาปมากกว่าดวงวิญญาณก็ไปอาบายัยจะตายแบบไหนตายด้วยอุบัติเหตุตายด้วย ต, ตายด้วยอายุยยขไขัตายด้วยโยครคภัยไข้เจ็บตายด้วยการนอนหลับไม่ตื่นมันก็ตายเหมือนกันคนที่ทําผิดกฎหมายถ้าทําความลําบากให้เราเราควรจะเอาผิดกับเขาด้วยไหมครับ ถ้าเราผิดร เ, เร า, ารก็ไม่เมตตาเขาถ้าเราเมตตาเ้าก็ไม่อาภิดเขาให้ให้ใหอาภัยเข้าไปคำว่าบุญสัมพันธ์มีจริงไหมครับในกรณีที่ได้เจอครูบาอาจารย์ที่มาชี้นำสั่งสอนครับไม่รู้เหมือนกันนะบุญสัมพันธ์แปลว่าไง อาหารที่รบ ก, กันเพื่อปกป้องประเทศถ้าเขายิงคนตายอย่างนี้ถือว่าเขาทําบาปไหมครับที่เขาทําด้วยหน้าที่ครับเขาก็ต้องทําบาปนะบาปนี้มันมีหนักมีเบาถ้าไปเป็นทําบาปด้วยการไปลักขโมยนี่มันจะหนักกว่าการทําบาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศของของเราทรัพย์สินของเราหรือคนที่เรารักนี้ มันก็มันก็ยังบาปอยู่เพียงแต่มันมีโทษหนักไม่หนักเบาไม่เท่ากันเมือนเวลาที่ทางศาลก็ตัดสินคดีบางทีก็โทษยี่สิบปีบางทีก็โทษอาหารชีวิตบางทีโทษเอก็แล้วแต่เหตุผลที่เขาจะวินิจฉัยวามไปกรรมก็แบบเดียวกันการทําบาปก็มีทั้งหนักทั้งเบาเขาแบบหนักเบาหนักมากๆก็คือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าผ้าอรหันนี่ถือว่าหนักมาก ค่าเป็ดค่าไก่นี้ไม่หนักเท่าค่าวัวค่าควายแ ม, ม้แต่แม้แต่สัตว์ต่างชนิดก็ไม่เท่ากันค่าวัวค่าควายนี่หนักกว่าค่าเป็ดค่าไก่เพราะวัวควายนี่เขาก็กมีคุณมีประโยชน์กับเราทําบาปกับคนที่มีพระคุณกับเรานั้นก็หนักที่กัดทำบาปกับผู้ที่ไม่มีพระคุณกับเราเป็ดพวกเป็ดพวกไก่เขาไม่มีบุญคุณอะไระเขานอกจากเขาอาศัยให้เราเลี้ยงให้เขากินไปอยู่ไปวันนัน แต่เราใส่วัควคลายทำลายไถนาให้กับเรามันก็อยู่ที่คุณของกู้ที่ตายว่าเขามีคุณมากมีคุณน้อยถ้ามีคุณมากบาปก็หนักถ้ามีคุณน้อยบาปก็เบาชอบโทรบอกพ่อแม่และพี่ๆครับให้ภาวนาพุทโธพอเขาตามท่องพุทโธตลอดแล้วเรารู้สึกสบายใจมากครับมันก็เป็นเรื่องของการ ได้ตอบสนองความอยากของเราถ้าเขาไม่ทำเราก็อาจจะไม่สบายใจก็ได้อาจารย์ครับคนที่เขาหลับหลับแล้วตายไปเลยเนี่ยเขาถามว่าเขาจะรู้ตัวไหมครับว่าเขาตายไปแล้วครับไม่มีใครรู้หรอกเวลาเราหลับหลับเมื่อไหร่เวลาเราตายเราก็ไม่รู้เราตายเมื่อไหร่นอกจากพระพุทธเจ้าพระอานารนะ์นท่านจะมีสติอยู่ตลอดเวลา คนและศาสนาเขาจะรับรู้ความเมตตาจากเราได้อย่างไรครับไม่ว่าจะศาสนาไหนแม่แต่หมามันก็รู้เวลาเอาข้ามาให้ข้าวให้หมากินมันก็รู้ว่ า, รว า, ารเราเป็นเมตตากับมันพอเราข้ามาให้มันมันก็ะเด็ดขานเล็กๆไ ๆ, ๆเลยห็นเราที่เห็นเราตรงไหนมันวิ่งเข้าหาเราทันทีเลยเพราะมันรู้ว่าเรามีความเมตตาก่อมันไม่ได้อยู่ที่ศาสนาอยู่ที่จิตสํำนึกของคน ช่วงที่รู้สึกทุกข์ใจโยมสวดมนต์นั่งสมาธิได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ความทุกข์นั้นหายไปทําแบบนี้มาหกปีแล้วครับก็ดีก็เป็นวิธีดับความทุกข์แบบชั่วคราวมันยังไม่มีวันที่ย well ่อความทุกข์หายไปอย่างถาวรถ้าใช้วิธีสวดมนต์นั่งสมาธิถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรต้องใช้ปัญญาให้เห็นอริยสัจสีว่าทุกข์เกิดจากอะไร นั้นหยุดคำหยุดเถรที่หยุดเถร ท, ท, ที่ทําให้ทุกข์ได้หไม่ถ้าอยู่เถรที่ทําให้ใจทุกข์ได้ต่อไปใจก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปขอโอกาสครับถ้าเราหลุดพูดโกหกแล้วได้สติทีหลังเราก็บอกว่าที่พูดเมื่อกี้พูดเล่นบาปนั้นสมบูรณ์ไหมครับพยายามมีสติแต่บางครั้งสถานการณ์พาให้เพลินพูดไม่ได้คิดครับมันก็เป็นสองวาระแนละ้วพูดครั้งแรกก็โกหกพูดที่2องก็เป็นพูดคําจริง แต่เป็นลบล้างบาปที่คำพูดที่เราพูดไปแล้วไม่ได้การที่เรามีพระพุทธรูปไว้บูชาถ้าเราไม่ถวายสิ่งของบูชาเช่นผลไม้และน้ําดื่มเลยหรือว่าจะต้องถวายครับไม่ต้องหรอกมีไว้ธีการไหว้บูชาให้เราเถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้เราปฏิบัติบูบชาถ้าอย่ากบูชา เอาคำสวนวอนของเจ้ามาปฏิบัติสอนให้ทําบุญทําทานก็ทําบุญทําทานสอนให้รักษาศีงก็รักษาศีงสอนให้ภาวนาก็ภาวนานี่คือการบูชาที่แท้จริงบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาอยู่บ้านคนเดียวห้องพระอยู่ชั้นสองเดี๋ยวนี้เดินขึ้นชั้นสองไม่ไหวไม่ได้ถวายนะ้ําไม่ได้ถวายพวงมาลายัยแลทะทําคําสะาดห้องพระเลยนั่งสวดมนต์ที่ชั้นล่างจะเหมือนกันไหมครับพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรับทราบและโอเคไหมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขไม่มีความรับรู้หรอกเขาไม่มีใจไม่ต้องไปกังวลอันเป็นแค่เป็นรูปเหมือนที่เราทำมาเราน้อมเล็งถึงพระพุทธเจ้าท่านั่นเองไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรในตัวของของท่านเองไม่ต้องไปกังวลอันอยู่ที่ชอ้อนอานี้มีไว้เพื่อกระตุ้นให้เราทําความดีให้ไหวพริเสดเงินให้นั่งสมาธิ ทำอย่างไรถึงจะไม่กลับมาเกิดอีกครับก็น <and new> <studio> ัองอยู <joy rik> <t ong oard> ่เหตุของการมาเกิดนะเหตุของการมาเกิดก็คือความอยากสามประการการมารหาความอยากเสด็จกลาพราวะหานความอยากมีอยากเป็นวิภวะฐานาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าตัดความอยากทั้งสามนี้ได้ไปจากใจใจก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป คนที่เขาตั้งใจจะทำร้ายเราถ้าเขาไม่ฟังเราเราก็จะห้ามเขาไม่ได้ตามหลักธรรมเราจะต้องไม่คบคนพาลให้มีเมตตาถ้าไม่มีหน้าที่ก็ให้หนีห่างไปเลยใช่ไหมครับใช่คนพาลก็เหมือนไฟ๋ยวาไปอยู่ใกล้เดี๋ยวไฟมันจะเผาเาราการเรียนถามพระอาจารย์ครับตอนนี้สับสนกับการถวายปัจจัยกับพระ ควรหรือไม่ควรควรถวายในงานพิธีเช่นปัจจัยพันกันเทศหรืองานบุญในวัดครับคือปัจจัยนี้มันก็มีประโยชน์และก็มีโทษแล้วเราต้องดูคนที่รับปัจจัยว่าเขาเป็นคนฉลาดหรือเป็นคนโง่ถ้าเขาเป็นคนโง่เขารับไปแล้วก็ไปทำรายตัวเขาเองได้เช่นเอาไปเสพกามเอาไปซื้อของกินของเล่นของ ซื้อของใช้ไม่สวยอะไรที่ไม่มีความจํำเป็นต่อกันนะความเป็นพระถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้เราก็อย่าไปถวายแต่ถ้าเป็นพระที่เราถวายเขาท่านเอาเงินที่เราได้รับไปนี้ทําไปทำพุทเบื้องต้นทําคุณประโยชน์กับตัวท่านคือโดยหลักนี้การถวายปัจจัยการถวายเงินนี้เพื่อมามามาเสริมปัจจัยสี่ที่อาจจะขาดแคลนได้ในบางช่วงก็เรียกว่าสมณะบ่อโภคก อี้สมณะบริโภคก็มีอาหารบินดาบะเครื่องนุ่งห่มจีวรที่ว่าสัยกุติแล้วก็ยารักษาโรคเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็ต้องมีปัจจัยสี่ถบามังค่ามัางคาวก็อาจจะเป็นจะต้องมีเงินเช่นสมัยนี้จะไปหาโรงพยาบาลบางทีก็ต้องขึ้นแท็กซี่ไปขึ้นรถเมล์ไปมันก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายถ้าถวายท่านแล้วท่านเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องสมณะบริโภคก็ถวายได้ หรือว่าถ้าท่านได้ท่านมีพอเพียงแล้วท่านมีเหลืออยู่แล้วท่านเอาไปทําคุณประโยชน์เช่เนไปสงเคราะเด็กยากจนเด็กพิการเ่อทำเราในคนที่ตกทุกข์ได้ยากอืเราก็ต้องรู้ว่าท่านเป็นคนแบบไหนท่านจะเอาเงินไปทําอย่างไรถ้าเราไม่รู้เราก็ถวายวัดไปเป็นส่วนกลางของวัดไปเพราะว่าสมัยนี้ก็มีค่าใช้ใจ่ายเยอะค่าน้าค่าไฟค่าคนที่จะมาดูแลคอยซ่อมแซมอาคารปฏิ ปกติสัขงขารดูแลนะเพราะของใช้ไปใช้ไปมันก็เก่าลงเก่าลงมันก็เสื่อมลงเราอยากให้วัดว่าเราดูสวยงามไม่มบกพร่องเราก็ต้องสนับสนุนอันนี้ส่วนใญ่เราจะถวายให้กับทางวัดไปเป็นสมบัติของของวัดไปไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนีแต่เจ้าวาดก็ไม่ได้เป็นมีสิทธิ์ในเงินของของวัดถ้าเจ้าวางอะไรของวัดไ ป, ไปใช้ส่วนตัวก็อาจจะถูกจับลงโทษได้ซึ่งที่มีข่าวา ว, าวอยู่ในขนาดนี้ ว่ามันของวัดนี่เขามีระบบดูแลรักษามีวิทยาวจกรมีการว่าโยมมีกรร ม, มการคอยดูควบคุมพระอีกทีหนึง่งพระจะใช้จริงๆต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการของวัดด้วยไม่สามารถเอาไปใช้ได้อย่างอย่า ง, งอำเภอใจแต่บางทีบางวัดเขาก็เก่งใจหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเป็นใหญ่เขาตั้งมาก็้ตั้งให้ตามบัญญัตกฎหมายก็เอาพไปยาตาไปไล่นักแต่งหลวงพ่อท่านจะทำอะไร เมื่อที่ยวงหาดใจหลวงเพราะกลัวจะบาดตัวเองจะบาดก็ยไม่ก้าออกมาไม่มีไม่มีปัญหาองหายใจลมหายม่มทั้งคุณมีทั้งโทษเอบมตาอม่ตาเมื่อเทีนยวด้วยปญญากอย่างแต่ตอนคืนมีขโมยมีอะไรเข้ามาก็ก็จะทำให้ดีมองในแง่ดีด้วยก็ดีมีทั้งบูมีมีทั้งคุณมีทั้งโทษทูกสิ่งอย แต่อย่างนี้พระอาจารย์ก็ตื่นเลยครับพระอาจารย์ก า, ารหลับเราตื่นครับก็ตื่นบางแล้วเรหลับง่ายเวลาพอมันตื่นถ้าพ่อเดี๋ยวแล้ก็กลับไปนะก็หลับต่อครับพระอาจารย์ครับบางประเทศเขามีกฎหมายที่รุนแรงเพื่อที่จะบังคับให้คนในชาติมีระเบียบวินัยกับบางประเทศที่กฎหมายไม่รุนแรงทํนในาทให้คนในชาติไม่มีระเบียบวินัยแล้วไปเบียดเบียนคนดีเราจะใช้ความเมตตาแบ่งความพอดีแบบไหนดีครับ เราแบ่งไม่ได้หรอกเราก็ต้องเลือกประเทศไหนที่เราเราชอบเราก็ไปอยู่ที่ประเทศนั้นถ้าว่าบัชอบป ร, ประเทศที่มีกฎหมายที่ที่เข้มข้นเราก็ไปอยู่เช่นสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีคนที่จะมาทำร้ายคนอื่นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยเราอาชญากรรมเขานี่น้อยกว่าอาชญากรรมของประเทศเราถ้าเราอยากจะอยู่แบบที่ไม่มีอาชญากรรมเราก็ไปอยู่ประเทศที่เขามีกฎหมายขเข้มงวด เราอย่เราอยากจะอยู่แบบสบายสบายอย่างประเทศเราเราก็อยู่ประเทศเราไปประเทศเราสบายจะทำอะไรก็ได้แต่ก็ต้องรับผลของการสบายก็คือมันก็ต้องมีเรื่องอย่างเงี้ยมีขโมยมีโจรมีอะไรเพื่อนที่ทำงานทะเลาะกันโยมเป็นคนกลางฟังคนโน้นทีคนนี้ทีจะให้โยมวางจิตยัยงไงครับ ก็ว่างเฉยๆไม่ต้องไปเชื่อทั้งสองฝ่ายเพราะเขาพูดไม่ไม่ครบหรอกถ้าคนนี้เขาพูดแต่เรื่องของเขาเรื่องพูดแต่เรื่องความดีของเขาคนนั้นก็เขาพูดแต่เรื่องความดีของเขาความชื่วของคนอื่นมันก็เป็นอย่างนี้นะเราก็ถ้าเราไม่มีสิทธิ์อะไรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ฟังไปเฉยๆไปให้เขาระบายไปนัเ่เแต่เราไม่ต้องไปมีส่วนเห็นด้วยกับเขาหรือไม่เห็นด้วยกับเขาเฉยๆไป พบอดีตพบหน้ามีจริงใช่ไหมครับอาจารย์นักศึกษาสมัยนี้ไม่เชื่อครับเรื่องของสอนเรื่องที่เราต้องศึกษาแล้วพิสูจน์กันถึงเนี้ยแต่ถามว่าเป็นคําสอนของพระเจ้าหรือเป็นคําสอนพระเจ้าตายแล้วไม่สูญตายแล้วไปเกิดต่อเพราะจิตนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความคิดมันคือการทํางานของขันห้าใช่ไหมครับ ก็เป็นหนึ่งในแขนห้าความคิดมันมีห้าห้าแขนด้วยกันนอกจากความคิดแล้วมันก็นมีความรู้สึกมีความจําได้ไหมายรู้มีความรับรู้รูปสิ่งกลิ่นรสนี่ก็เป็นแล้วก็มีร่างกายที่มีตาหูจมูกนิ้วมือมีอาการสาสิบสองนี่คือแขนห้า<ม>เขาจะทํางานร่วมกันประสานกันเพื่อให้เกิดสิ่งที่ใจต้องการใจจะใช้อาศัยขันห้า หาสิ่งที่ใจชอบอยากจะเสพคือรูปเสียงกลิ่นลดความสุขในโลกเช่นา้ำยสดำเนรเสริญก็ต้องมีขันห้าเป็นเครื่องมือโยมได้ทำบุญใหญ่สละทรัพย์สินแล้วไม่กล้าบอกพ่อแม่เกรงว่าท่านจะทัดทานเรื่องทำบุญเกินตัวหรือสามารถแผ่เมตตาให้แทนท่านจะได้บุญด้วยไหมครับท่านไม่ได้บุญหรอกว่ามันเป็นบุญของเราคนเดียว บอกท่าน่านก็ไม่ได้บุญอยู่ดีไม่ต้องบอกเวลาทําบุญทําทานมันื่องส่วนตัวของเรายิ่งเ้าร่วงบอกไปแล้วทําให้ท่า น, านคิดไี่ดีก็อย่าไปอย่าไปทําอย่าไปบอกดีกว่าถ้าบอกแล้วเขาคิดดีก็เป็นบุญของเราถ้าเขาอนุโมทนาชื่นชมยินดีก็ทําทให้เขามีความสุขใจกับการทําบุญของเราไปก็ต้องดูว่าเขาเป็นคนแบบไหนถ้าเขาไม่ยินดีเราก็อย่าไปพูดหรอกแต่เรื่องการทําบุญถ้าเป็นท ร, รัพย์สินของเราเองเราเราไม่ต้องบอกใครก็ได้ ทิ้งพระจําเป็นต้องมีน้ําและดอกไม้สดบูชาไหมครับไม่จําเป็นไม่ต้องมีเลยก็ได้ทั้งพระทั้งหิ่งนั่งเาไหร่เป็นภาล่าไปว่างให้มีพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อยู่ในใจเราดีกว่าเราเลึกถึงพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆจะดีกว่าไม่ต้องมาคอยรักษาทําความสะอาดทิ้งพระไม่ต้องคอยหาน้า ม, มาเติมให้เราราลึกถึงพุทโธพุทโธนี่ถ้ากับเรามีพระอยู่ในใจแนละ้วดีกว่าพระที่อยู่ภายนอกใจเท่ การทำสมาธิโดยตามหายใจรู้ทุกขณะให้ใจเข้าหายใจออกใช่การทำสมาธิก็ให้เราเรู้เรื่องการเข้าออของลมหายใจแต่ไม่ต้องตามเข้าไม่ต้องตามออกให้รู้ อ, อยู่ที่จุดเดียวที่ปลายจมกูก <P ew> เพื่อที่จะผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆตั้งใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขได้ ทำสมาธิไม่สงบทําวิปัสสนาไปเลยได้ใช่ไหมครับไม่ได้หรอกถ้าไม่สงบไปทำวิปัสสนาก็ยิ่งพุ่งสร้างใหญ่ยิง่งขึ้นใหญ่อาชยากรสงครามคือคนที่มีบุญหรือมีบาปทําไมถึงมีอํานาจมากครับไมู่้กันไม่เคยเจออาชยากรท่างสงคราม ทำสมาธิโดยกําหนดพุทโธหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มีความรู้สึกตลอดทําไปเรื่อยๆเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตรวมลงเป็นสมาธิแล้วครับมันรวมลงเราก็จะรู้เพราะว่ามันเป็นสภาพที่เราไม่เคยพบมา ก, ก่อนเป็นความสุขที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นสิ่งที่มาสะใจถ้ามันเกิดนะถ้ามันยังไม่เกิดมันก็ยังยังไม่เห็น น, ะนก็ต้องทำบรรจา ก, กาจิตมันจะรวมเป็นสมาธิเราก็จะรู้เอง อันนี้มีใครเดินผ่านมั้ยมีตัวเดิมใช่ไหมครับตัวเราตัวนมป์ตัวผมเมียกันอนกผีวิญญาณพลังงานมีจริงไหมครับผ้าจารย์แล้ะผ้าจารย์เคยเห็นไหมครับคือจิตเราเนี่ะเวลาตายร่างกายตายไปเราก็เปลี่ยนชื่อเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณก็เป็นผี เราเป็นผีกันทุกคนเน่ยแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นผีกันเวลาที่นั่งสมาธิใช้กําหนดท้องยุบหนอพองหนอได้ไหมครับมีคําบริกรรมพุทโธกับครับเช่นท้องพุทท้องยุบโทอะไรได้ไหมครับน้องทําดูสิดูว่ามันสงบไหมได้ผลดีไหมถ้าได้ผลนี่ก็ทําไป เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่ายังมีเจ้ากรรมนายเวรของเราที่ยังติดตามมาและจะขออภัยกรรมได้อย่างไรครับก็ดูไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่มีเจ้ากรรมนายเวรก็ก็ ก, ก, ก็ก็รู้ว่าตอนนี้ไม่มีก็แล้วกันแต่ไม่มีอะไรทิงแท้แน่นอนวันพรุ่งนี้เจ้ากรรมนายเวรอาจจะตามมาทันก็ได้ถ้าก็ตามมาทันก็ถ้าเราสามารถเจราจาเขาได้ให้เขาผ่อนผันยกโทษให้กับเราได้ล้วก็เจราจากับเขาไป ไม่ว่าทางเขาเรียกร้อยากได้อย่างหนึ่งถ้าเราสามารถให้เขาได้เราก็ให้เขาไปอีกมาแล้วก็อยากจะเอาดวงตาเราไปข้าหนึ่งอย่างนี้ถ้าเราอยากจะให้ให้มันจบก็ยอมให้เขาเอาดวงตาไปอย่างพระโมคคลานี่เขาตามไปัญญาธอยากยาวชีวิตของพระโมคคลานะะถ้าก็ยอมตายถ้าไม่ยอมให้เขาเาชีวิตไปถ้าไม่ต่อสู้แม้ท่านนี้ มีฤิ์มีเดท่านก็บอกก็จะเป็นการแค่ผัดวันท่านนั่นเองหนีไปวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตามมาใหม่ได้ให้มันใช้เวรใช้กรรมให้มันหมดไปก็รักกันยอมรับเวรรับกรรมของเราไปแล้วอย่างนี้คนที่ตีพระโมคคลา น, นี้เขาก็ไม่มีเวรกับพระโมคคลาแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แต่เขาสร้างบาร์<ม>เขายัไปตอกน้ำนมเยอะค่าผ้าลายนี่น ถ้าพ่อฆ่าแม่ฆ่าบ้านานี่บาปนัคนที่ฆ่ากันด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างนี้เขาบาปไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่ า, วามันไม่ไงมันบาปทั้งนั้นเลยแต่ว่าบาปมากบาปน้อยเราก็ไม่ทราบว่าจะแยกจกยาแยากแยกแยะมันยังไงแต่รู้ว่าถ้าไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจที่อยากจะฆ่า แต่ทำด้วยเพราะว่าเป็นหน้าที่เช่นเป็นเพชฌฆาตอย่างนี้ยถึงเวลาจะต้องทําหน้าที่บาปผู้ต้องหาเนี่ยก็ทําตามหน้าที่ก็เป็นบาปแต่ไม่ได้บาปด้วยการมันก็บาปเหมือนกับคนที่ฆ่าสัตว์ที่ลงฆ่าสัตว์ดีๆเองเขาก็ทำตามหน้าที่หาเลี้ยงชีพคนที่ทําบาปแบบนี้บางจะไปต้องไปเกิดเป็นสัตว์เนราฉานต่อไปเพื่อให้เขามาฆ่าเราบ้างให้คนที่เขามีหน้าที่มาฆ่าเราบ้างสลับผัดกันไป ใส่บาตรตอนเช้าอุทิตให้ผู้เพิ่งเสียชีวิตเช่นทหารที่เสียชีวิตในสนามรบอย่างนี้เขาจะได้รับบุญไหมครับก็อยู่ที่ว่าเขามารอรับหรือเปล่าถ้าเขาไม่มาขอรับรับมันพาสที่บินตำนานถ้าพาสท่านไม่มารอรับทช่หน้าบ้านเรามันก็แล้วก็ไม่มีใครที่จะใส่บาตรให้นี่ยเราไม่รู้เราก็ทําเผื่อไว้ถ้แลาเขาจะมาหาเราทําไมเนี่ยมาเขาไม่รู้จักเราคนคนส่วนใหญ่ที่จะไป ขอบุญนี้เขามากจะไปขอบุญกับคนที่เขารู้จักชนญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนสนิทมิตรสายคนที่ไม่รู้จักอย่างเราเขาไม่มาขอเราให้เสียเวลาลวเพราะเราไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเราจะให้เขารู้หรือเปล่าถ้าบริการพุโทโธอย่างเดียวแต่ไม่ดูลมอย่างนี้ได้ไหมครับได้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้ เวลาที่เสียภาษีตั้งใจเอาเงินให้รัฐคิดว่าให้ทานรัฐเอาเงินไปพัฒนาประเทศจะได้บุญใช่ไหมครับแต่ถ้าคิดว่าเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมก็จะไม่ได้บุญอย่างนี้ถูกไหมครับไม่ถูกหรอกเพราะว่าเราถูกบังคับต้องให้ถ้าเราไม่ให้ก็ถูกจับอย่างนี้ไม่ได้เป็นการทำบุญทำทานในการตามกฎตามทำตามกฎระเบียบถูกข้อบังคับเราไม่อยากจะติดคุก แ, แล้วเราอยอมจ่ายภาษีไป ถ้าเราไม่ให้เราไม่ติดคุกนี้อย่างนี้ก็เป็นอย่า ง, งนีงหนึ่แต่เรายินดีจะให้อย่างนี้ก็จะได้บุญแต่ว่าต่อไปนี้ประชาชนชนไทยมีสิทธิ์ที่จะเลือกจะเสียภาษีก็ได้ไม่เสียภาษีก็ได้อย่างเนี้ยถ้าคุณบอกเอออยากจะช่วยประเทศชาติเรายอมเสียภาษีอย่างนี้จะได้บุญเพราะไม่มีอะไรมาบังคับเราให้เราต้องให้ใช่ไหมที่เราให้กันทุกวันนี้เพราะเรากลัวจะติดคุกกันมากกว่า เจอสิ่งที่กลัวในระยะประชิดตกใจมากรู้ตัวอีกทีก็ออกห่างจากสิ่งนั้นใจเต้นเร็วยังกลัวอยู่มากยืนพิจารณามองอยู่ไกลๆในระยะปลอดภัยคิดว่าเหมือนยังฝึกไม่พอพอเจอจริงๆสติไม่มีเลยครับขอปัญญาจากอาจารย์ครับก็พยายามฝึกสติให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นแล้วไปทดสอบไปไปอยู่ที่มันน่าน่ากลัวดูว่าใจเราอย่างยังเต้นอยู่หรือเปล่ปาหรือว่าสามารถทําให้มันใจให้มันนิ่งได้ ถ้ามีคนทําร้ายเรามาตลอดทําให้เราทุกข์แก่กายและใจเราจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเขาไหมครับไม่ถ้าเราให้อภัยเขาเราก็ไม่เป็นเจ้ากรรมในเวรถ้าเราจองเวรเขเราก็จะเป็นสามีชอบกังวลคิดลบปรุงแต่งเรื่องในทางลบทําอย่างไรจะช่วยให้คนรอบข้างช่วยเขาดีขึ้นครับก็ตัองอยู่ที่เขาต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ท่าก็ไม่ต้าการความช่วยเหลือก็ช่วยอะไรเขไม่ได้พระอนาคามียังต้องบริการพุทโธอยู่ไหมครับเราได้เข้าสมาธิได้อย่างเดินๆที่ไม่ต้องใช้อะไรนะเพียงแต่กําหนดจิตให้นิ่งท่านก็เข้าได้นะอันนะี้บุคคลทุกคนเข้าฌานได้เพียงแต่สั่งให้มันสงบให้มันนิ่ง ม, มันก็เข้าไปได้ อาจจะมวยคำพูดโธสองสามคำก็ได้แล้อดูลมสองสามครั้งก็ได้หรือไม่ต้องก็ได้เพียงแต่กำหนดสติคอยหยุดความคิดเกิดเมื่อรวมลมได้ตักบาตอนเช้าตอนเรารับพรจากพระเราควรจะนั่งหรือยืนครับอันนี้เราก็มีถกเถียงกันอยู่ม่าเราก็ก็ดูความสมความเหมาะสมมากันโดยส่วนใหญ่คนไทยเราชอบชอบนั่งรับพรไม่ว่าพระจะนั่งหรือยืน ในดำนาเขาบอกว่าถ้าพลาดยืนเราต้องยืนนะถ้าพลาดนั่งเรนต้องนั่งนะอะไรทำนองนี้เรากอันนี้ก็เป็นเรื่องของมารายาทมากกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของบุญหรือบาปลูกพยายามจะรักษาศีลให้ได้แต่พลาดที่ศีลข้อสี่ตลอดควรทําเช่นไรดีครับขนาดตั้งเจตนาไว้ดีแล้วแต่ก็มาแพ้ให้กิเลสตลอดจนรู้สึกทุกข์ใจมากที่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ได้ครับ ก็อาะไรมาอัมพาเตมาปิดป <t uce> <t uce> <t uce> we, ิดปากไว้แล้วถ้าเราจะพูดทีก็คิดก่อนว่าพูดพูดพูดไม่ผิดศีลนะค่อยเอาอัมพาสเตอร์ออกแล้วก็พูดไปอันนี้มันจะได้กันเวลาที่เราพูดแบบแบบไม่ไม่คิดรอบคอบดีแต่ถ้าเรามีอัมพาเตอร์ปิดไว้ไว้ก่อนนี้เวลาก่อนที่เราจะพูดเราาจะได้มีเวลาคิดกันว่าเราผิดศิลหรือเปล่าถ้าปิดศีลเราก็จะได้ไม่พูด ถ้าไม่ผิดสีนะแล้วก็เอาพัสเตอร์ออกแล้วก็พูดได้ค่คยๆยอมไปนะคนนี้ดีๆก็เอาพัสดเตอร์มาเปิดปากวันก่อนนั่งสมาธิแล้วมีเสียงดังมากเหมือนของตกสะดุง้งใจหวิวแต่ก็เข้าใจได้เกือบทันทีว่าเสียงจริงหรือไม่จริงก็ไม่ใช่เรื่องของเรา แปลกค่ะดีใจที่ยังมีโอกาสปฏิบัติต่อไปจะไม่สติหายนะครับใช่ก็ไม่ใช่นะว่าเป็นตายรักไปอันนี้จากเกิดแล้วดับอ น, นัตตาเราควบคุมเราบังคับมันไม่ได้ถ้าเราไปดีใจเสียใจก็จะทุกข์ของมันถ้าเราเฉยเฉก็จะไม่ทุกข์ของมันการแผ่เมตตาต้องแผ่ให้เราก่อนไหมครับไม่การแผ่เมตตาแผ่ให้คนอื่นแผ่ให้เราทําไม เราไม่เาจมีอะไรให้แผ้ให้กับเรากาจารย์ไม่ตามที่แผ้ให้คนอื่นสัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้บอกว่าอัตตาตัวตนแพ้ให้ตัว ต, วตนเลยไม่ได้ทราบใครเอาตำราที่มากกว่านี้มั้ห้องนอนไม่ควรมีพระไว้ไหว้สวดมนต์ก่อนนอนใช่ไหมครับมันก็แล้วแต่ความความเชื่อ โดยธรรมดาเขาเะมักจะบอกของพระนี่เป็นของสูงห้องนอนนี่เป็นของต่ำเพราะมีการร่วมเพศกันได้ในคนรยาวของสูงมาอยู่ที่ต่ำง่ายๆควรจะทำก็ถึงมีธรรมเนียมทําห้องพระขึ้นมาเพรให้ให้ที่สูงอยู่อยู่ในที่ที่เหมาะสมเวล า, าจะทํากิจสูงแล้วก็เข้าห้องพระไ ป, ไปนั่งสมาธิเวลาเราจะทํากิจต่ำเราก็เข้าไปห้องนอน ถ้าเราไม่ได้บริกรรมแต่เราคอยรู้สึกตัวในอิรยาบทต่างๆอย่างเดียวอย่างนี้ได้ไหมครับได้ก็ให้เราอย่าไปคิดอะไรแล้วก็ให้เราอยู่ในปัจจุบันให้รู้ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ถ้าเรายังมีความรู้สึกว่ายังตอบแทนพระคุณของแม่ยังไม่หมดเราจะต้องทําใจยังไงให้หมดความห่วงใหญ่ครับก็ทำมาเท่าที่เราทําได้ไป เพราะกลิ่นขอพอแม่นิทบใช้เท่าไหล่ ก, ก็ไม่หมดหรอกนอกจากทําให้ท่านพ้นจากอบายแล้เท่านั้นเองถึงจะหมดคือทาให้ท่านเป็นพระโสดาบันได้ถ้ายัางไม่เป็นพระโสดาบันก็ใช้ไปเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดก็ใช้ไปเท่าที่เราจะสามารถชดใช้ได้ตามกําลั ง, งของเราก็แล้วกันพระแถวบ้านขับรถมาบินธบุรตอนเช้าคิดว่าสมัยนี้น่าจะหาลูกศิษย์วัดยากอย่างนี้ท่านผิดสีไหมครับ มันไม่มีข้อห้ามนะสมัยโบราณไม่ไม่มีรถยนต์แต่สมัยสมัยที่เมืองไทยเรามีลําคลองเยอะซึ่งสมัยนี้มังวัดใจยังมีลําคลองอยู่อยู่ติดคลองแล้วชาวบ้านก็อยู่บ้านก็บ้านก็อยู่ติดคลองเขาก็นิยมพายเรือไปบินทบาทกันได้อยู่พระว่าจะเอาเอาเห็นนี้มาเป็นตัวอย่างอ้าพภายเรือไปบินทบาดได้สมัยนี้พระก็ขับรถไปบินทบาทได้เหมือ น, นกันก็ไม่มีข้อห้ามแล้วแต่ความเหมาะสม แต่ทานสายครูบาอาจารย์สายวัดปฏิบัตินี่ท่านไม่ต้องท่านจะเอาดเดินอย่างเดียวเดินมิถานอย่างเดียวถ้าโลกนี้คือโรงละครแปลว่าทุกเหตุการณ์ที่เราต้องเจอเพราะกิเลสในใจของเราและเป็นสิ่งที่เราต้องชาระกิเลสของตนให้ได้จนหมดสิ้นใช่ไหมครับเหตุการ์ต่างๆนั้นมันเกิดจากความอยากของเราเราอยากไปเที่ยวเราก็ไปเจอไปเที่ยวเราก็ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมา ถ้าเราไม่มีความอยากเราอยู่ในป่าคนเดียวมันก็จะไม่มีอะไรหรวถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่มาเกิดเลยอาจารย์ครับย้อนไปตอนบินทบาทแล้วหลวงตาท่านบินทบาทจนสุดท้ายเลยไหมครับอาจารย์จนเด็กไม่ไหวเลยไหมครับอันนี้เราก็ไม่ทราบเพราะเราไม่ได้อยู่กับท่านช่วงนะั้นนะเราอยู่แค่ช่วงช่วงแปดปีเก้าปีแรกท่านก็บินทบาททั้งวันทัน้งวัน ถ้ามีคนยืมเงินเราจํานวนมากแล้วไม่คืนทําให้จิตใจเราไม่สงบสุขเลยมีวิธีไหนช่วยให้เราพ้นทุกข์และสงบลงได้ครับก็คิดว่าเป็นการทําบุญทําทานไปแล้วกันถ้าเราคิาเป็นการทําบุญทําทานใจเราก็จะมีความสุขขึ้นมาเราคิดว่า เ, าเป็นการใช้กรรมใช้หนี้เก่าใช้ก่อนเราเคยอาจจะไปอําเงินของเขามาชช้ที่เขาเลยมาทวงคืนไป หรืจะคิดว่ามันเป็นอนิจจังได้เงินทองาราำยศสารเสื่อมสูงมีเจริญมีเสื่อมได้เป็นธรรมดาเวลาได้เงินมาก็เป็นการเจริญนาบเวลาสูเญเสียเงินไปก็เป็นการเสื่อมนาบไปคิดเป็นแบบปัญญาไปที่ว่ามองในด้านนอกของของการเจริญของการเสรื่อมของโลกประธรรมทั้งสี่ร่ำยศสารเสื่อสูง ต้องทำบุญทำบาปขนาดไหนคนคนนั้นถึงได้เป็นหัวหน้าโจรได้ครับไม่รู้ไม่รู้ฮันสิงดงมัได้ให้รู้เห็นว่าทำบุญก็กเป็นคนดีทำบาปก็จะเป็นคนชัว่ว น, นั่นเองทุกสุขอยู่ที่ใจน่าจะเปลี่ยนไปทุกวันใช่ไหมครับเพราจะจช่เราเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆทั้งวันทตื่นมาตอนเช้าก็อาจจะสุขเดี๋ยวเสียสายก็อาจจะทุกข์ขึ้นมาก็ได้ ให้เห็นกับว่ามีอะไรมันกระทบกับใจเรามีเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเข้ามาวันหนึ่งใจเราเปลี่ยนจากสุขเป็นทุกข์นี้ไม่รู้กี่ละกี่ละกี่รอบดวงมันอาจจะไม่หนักไม่แรงเราก็ไม่ไม่สังเกตเราไม่รู้เราต้องรอเจอเรื่องทุกข์แรงๆเช่นโดยก็ตกหน้าทีานึ่งเงี้ยอาจจะเริรู้สึกว่าวันนี้ทุกข์เข้ามาแล้วแต่ก่อนีอา จ, จะเปเรื่องทุกข์เล็กๆน้อยๆก็ได้ใครพูดไม่ดีหน่อยแล้วก็ทุกข์แล้ว หากใช้สื่อโซเชียลในการติดต่อสื่อสารแล้วเกิดโทสะไม่อยากคุยหรือรับรู้ข้อมูลเลยปิดช่องทางการติดต่อเช่นนี้เป็นการหนีปัญหาหรือเปล่าครับและควรจะวางใจอย่างไรครับก็เป็นก็ดีเ่ยเมื่อมีปัญหาเราหนีได้ก็หนีไปถ้าห น, นีไม่ได้เราทำใจอยู่กับมันไปการที่เราคิดบวกเป็นการเจริญปัญญาไหมครับไม่หรอ การยังไงบัญยาตคือคิดตามความเป็นจริงมีทั้งบวกมีทั้งลมีทั้งเกิดมีทั้งตายไม่ใช่คิดแต่เกิดอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้คิดถึงความตายเลยจะต้องทําบุญอะไรถึงจะถูกหวยครับต้องทางหวยบย่อยๆทางเยอะๆซื้อเยอะๆโอกาสจะถูกมันก็มากขึ้น การที่เราปล่อยวางร่างกายได้แล้วแต่ที่ยังทุกอยู่นั้นน่าจะมาจากจิตปรุงแต่งเหมือนถ้าเราไม่ทันมันก็กลายเป็นเกิดความรู้สึกไปแล้วเราจะต้องทำยังไงครับก็หยุดการปรุงแต่งมันมันเกาดจากความปรุงแต่งแล้วก็หยุดมันใช้สติหยุดมันพุทโธพุทโธไปโอกาสพระอาจารย์อธิบายคาว่าปัญญานำศรัทธาให้ฟังครับ ปัญญาก็คือความจริงศรัทธาก็คือความเชื่อในะความเป็นจริงถ้ามีความเชื่อแต่ไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงอาจจะไปเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงก็ได้เราก็ต้องมีั้งถ้าเรามีศรัทธาที่มีปัญญาสนับสนุนเนื่งความศรัทธามันก็จะมันก็จะเป็นประโยชน์เพราะเราจะเชื่อในสิ่งที่เป็นความจริง เราจะทำไงเกิดปัญญาแล้วก็ต้องหาเข้าหาคนที่มีปัญญาเข้าหาพระพุทธพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศึกษาคําสอนของพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะเชื่อคําสอนของสอนของพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ก็แสดงว่าเราก็มีปัญญานําศรัทธาแต่ถ้าเราไปศึกษากับคนที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นเพื่อนบ้านเนี่ยเขอาจจะบอกว่าทําบุญไม่ดีนะทําบุญแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปเชื่อเขามันก็กลายเป็นศรัทธาที่ไม่มีปัญญา เราก็ไม่รู้ว่าคนนี้เขารู้จริงหรือไม่รู้จริงหนูเดินจงกรมแล้วท่องพุโทโธประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วต่อด้วยพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังจนเบื่อแล้วกลับมาท่องพุโทโธแบบนี้ได้ไหมครับคือการปฏิบัตินี้ควรจะทำเป็นเรื่องเลืนอีกแบบขั้นตอนแรกเราควรปฏิบัติเพื่อให้จิต ด, ดวงเป็นสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปพิจารณาเรื่องปัญญาต่อไปอีกทีนึง ถ้ายังไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิพิจารณาทาปัญญาก็ละกิเลสไม่ได้และอุปติทานไม่ได้ถ้าเวลาปฏิบัติธรรมมีน้อยทำงานเลิกดึกทุกวันสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทำก่อนนอนพระอาจารย์แนะนำแบบไหนครับได้ทำให้ทุกเวลาทำให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ มีคนถามว่าอย่างนี้สุนัขบาปไหมครับมาขัดจังหวะคนฟังธรรมครับไม่บาปหรอกมันก็ไม่มีไม่ไม่คิ้ว่ามันมันทําอะไรที่เป็นเหตุมันไม่มีความเมตตาเนื่งเพราะสุนัขมันเป็นสุนัขมันไม่มีสติปัญญาพอที่จ ะ, จะเจริญเมตตาได้คนที่คอมเมนต์ผู้อื่นอยู่ในโซเชียลด้วยคําหยาบอย่างนี้ถือว่าเขาทําบาปไหมครับก็พูดบาอาจารย์ที่ไม่สุภาพนะ ก็เป็นบาปแบบละเอียดแต่ไม่ถือว่าเป็นบาปแบบโกหกนี้เราต้องทําใจอย่างไรให้ไม่ยึดติดกับแม่จนกลายเป็นปล่อยวางไม่ได้ครับเมื่อเราคิดถึงความตายของแม่อยู่เรื่อยๆคิดถึงการทัดท่าจากกันอยู่เรื่อยๆเยม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องทัดาทจากกันไป ความสุขจากสมาธิรวมอยู่ถาวรไหมครับหรือคงอยู่นานแต่ไหนแล้วสมาธิต้องรวมครั้งเดียวหรือต้องรวมหลายครั้งครับออยู่แค่แล้วแต่บางครั้งก็นานหน่อยชั่วโมงก็มีครึ่งชั่วโมงก็มีัแล้วแต่กําลังของสติที่เราได้เจริญมาถ้ามีสติมากก็สงบได้นานถ้ามีสงบ ม, มีสติสน้อยก็สงบได้ไม่นานแต่พอเราออกมาแล้วเรากลับเข้าไปใหม่ได้เรื่อยๆ วันนึงเราจะเข้าสมาธิได้ห้าหกครั้งก็ได้จิตแปดครั้งก็ได้แล้วแต่เราถ้าเราชอบเราอยากจะเข้าสมาธิเรามีสติแล้วก็นั่งสมาธินั่งเจริญสติไปแล้วเนี่นยมันก็สงบการฝึกจิตทั้งทางด้านสมถะและที่ปรัสนาในชีวิตประจําวันควรฝึกพร้อมกันหรือสลับกันอย่างไรครับ ก, ก็ฝึกสมาถาก่อนฝึกสมาธิให้ได้ก่อน เารสติให้ได้ก่อนมันเป็นปัชนานี้ต้องรอเป็นขั้นที่สองมันในหนังสือให้จบปนหนึ่งก่อนแล้วครับไปขึ้นปอนสองอย่าไปเรียนทั้งสองชั้นพร้อมกันเรียนปนหนึ่งด้วยเรียนปอนสองด้วยเป็นไปไม่ได้เวลาใส่บาทเราจะตั้งจิตอธิษฐานเราจะอธิษฐานก่อนใส่หรือหลังใส่บาทหรือหลังรับพรครับคาว่าอาธิษฐานนี่มันมีสองความหมายนะ คืวามหมายที่แท้จริงคือคือปลว่าความตั้งใจที่จะทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าอธิษฐานอันนี้เราต้องเราต้องมีก่อนนะก่อนที่เราจะใส่บาตรเราต้องตั้งใจก่อนแล้ววันนี้จะใส่บาตอันนี้เป็นอธิษฐานที่ตามหลักคําสอนของพระของพทะเจ้าส่วนอธิษฐานเพื่อขอขอพรขอสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นเยอะไม่ใช่เป็นคําอธิษฐานในพระพุทธศาสนามันเป็นคําอธิษฐานของทางโลกเขาอันนี้ไม่นำขอขอก็ไม่ได้ ขอในสิ่งที่บุญที่เกิดจากการทาทานให้ไม่ได้มันก็ไม่ได้การทาบุญทำทานมันก็จะได้ความสุขใจได้สะสมทรัพย์ภายในเป็นเป็นเหมือนกับเป็นสบียังที่เราจะติดตัวไปได้อันนี้จะขอแล้วไม่ขอก็ได้ใหเวลาเราทำบุญเนี้เราไม่ต้องมาขอขอขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้ามันจะได้มันก็ได้โดยที่ไม่ต้องขอถ้ามันจะไม่ได้ขออย่งไรมันก็ไม่ได้ ไม่องมาอธิษฐานให้เสียเวลาต้องอธิษฐานคือตั้งใจลงหน้าไว้ก่อนเช่นคือวันนี้ตั้งใจเดี๋ยวพวกนี้จะไปใส่บาตรนี้เรียกว่าอธิษฐานบริจาคเงินซื้อโดรนทิ้งระเบิดเราทำปาณาติบาตใช่ไหมครับแล้วก็สนับสนุนคนที่ให้คนอื่นก็ไปทำการฆ่ากัน เวลาที่เราเดินจงกรมจะต้องบริกรรมอย่างไรครับแล้วแต่เราพุโทโธพุโธไปเดินไพุโทโธพุโทโธไปชาก็ได้เดียวก็ได้เป้าหมายก็คือให้ดึงใจไว้ไม่ให้มันคิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆฟังบทสวดมนต์แล้วสวดตามแต่ไม่มีสมาธิเลยแบบนี้ควรจะสวดต่อหรือควรจะหยุดสวดครับต้องสวดแบบมีสติมันต้องเงียบ ส่วนแล้วปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่อนี้ก็มีวันที่จะสงบได้ถ้าอยากจะสวดให้สงบต้องมีสติอยู่การสวดหรือการฟังการสวดเพียงอย่างเดียวแล้วใจก็จะสงบลงได้แต่ไม่ไม่สงบแบบเต็มที่นะไม่สงบแบบเข้าสมาธิเพราะงั้นจะให้ใจสงบใจระดับที่คิดมากมากหรือระดับระดับที่คิดน้อยคำถามวันนี้หมดแล้วครับอาจารย์ทัดพอดีเวลาไปะไยครับผม หมดพดีนะหมดพอดีครั บ, okay. บดีอาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้มีคนฟังรามอยู่ในเฟซหกร้อยี่สิบสามในยูหกร้อยแปดในคลับแปดในติกตอกสี่ร้อยห้าสิบสองรวมกันหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบคนนะครับอ่านคำถามแรกเวลายี่สิบนาฬกาสิบหกนาทีวันนี้อาจารย์ตอบไปหนึ่งร้อยแปดคำถามครับอาจารย์ครับ ก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาเริ่มสนทนาธรรมถามตอบคาถามหวังว่าคงจะไ ด, ได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพื่อจะนั่งนามาประชยัยให้เกิดประโยชนย์ต่อไปการสนทนาธรรมสาหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแ ก, ก, ก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตรพิจารณาไปปฏิบัติพเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุก็ขอลา คุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุฉัดเข้าใดก็คงจะได้พบกันดีกเช่นเคนในอาทิตย์หน้าขอจเจริญพรกรบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ